เราไม่ปฏิบัติสมาธิทําใจให้สงบทำที่เราได้ยินได้ฟังได้อ่านยังเป็นธรรมอยู่ข้างนอกอยู่ในหนวงสืออยู่ในเสียงของครูบาอาจารย์แต่ยังไม่เป็นธรรมภายในใจของเราเราต้องดึงใจเราตับเข้าข้างในเข้าสู่ความสงบ พราะทำที่พระพุทธเจ้าสอนทมที่ครูบาอาจารย์สอนมันอยู่ข้างในใจเราอริยาาสัจสอยู่ในใจเราความทุกข์อยู่ในใจความอยากอยู่ในใจความดับทุกข์ก็อยู่ในใจมัรคที่เป็นเครื่องมือดับทุกข์ก็อยู่ในใจถ้าเราใช้สัญญามันดับทุกข์ไม่ได้ สัญญาก็คือความจําที่เราจําคําสอนของครูบาอาจารย์หร mm ื hmm. หนังสือที่เราได้อ่าน mm hmm. พอ เ, เจอความทุกข์เราจะใช้ความจําเหล่า น, น, นั้นมาดับความทุกข์ไปเ mm hmm. พราะเราไม่เห็นตัวตัวที่ทําให้เราทุกข mm ์ค hmm. ือความอยาก mm hmm. เราจะเห็นตัวความอยากก็ต่อเมื่อเรา หลืใจเข้าข้างในให้ใจเข้าสู่ความสงบให้เข้าหาตัวรู้กลับมาอยู่ที่ตัวรู้อย่าไปอยู่ที่ตัวคิดตัวคิดนี้จะทําให้เราไม่เห็นตัวตัวอยาถ้าใจเราเข้าถึงตัวรู้แล้วตัวรู้ก็จะเห็นตัวตัวอยาเห็นตัวทุกข์เห็นตัวมาก ถ้าฟังเทศเฉยๆยังยังไม่บรรลุธรรมได้เราฟังเรารู้ว่าทุกอทุกใจทุกใจอยู่ในใจเกิดจากสมุทัยคือความอยากที่มีอยู่ในใจร่างการจะดับความทุกข์ให้หมดไปจากใจก็ต้องใช้มรรคที่มีอยู่ในใจคือศีลสมาธิปัญญาแต่ถ้าเราไม่เข้าไป ข้งในเข้าเข้าไม่ไม่เข้าไปที่ตัวตัวรู้ตัวอัปปนาสมาธิเราก็จะไม่เห็นตัวจริงเห็นแต่ชื่อตอนนี้เรารู้จักชื่อแต่เข้าไม่ถึงตัวจริงเวลาทุกก็ล้องโหมร้องไห้กันแทนที่จะมาโทษความอยากที่ทำให้เราทุกข์ก็ไปโทษสิ่งที่เราอยากได้ พ็ไม่ได้ลังใจอยากก็ทุกข์กันหรือเสียสิ่งที่เราเราอยากให้อยู่เราพอก็เสียไปเราก็ทุกข์กันแต่ไม่รู้ว่าต้นเหตุของความทุกข์อยู่ที่ไหนต้นเหตุของความทุกข์อยู่ที่ความอยากให้สิ่งที่เราเสียไปไม่เสียไปเ<ม>นี่ยคือ ทำไมเราจึงต้องมาทำสมาธิกันเพราะทำสมาธิแล้วจะดึงใจให้เข้ า, เ ข, าเข้าไปข้างในเข้าไปหาตัวรู้เข้าไปหาอริยสัจสเข้าไปหาตัวทุกข์หาตัวสมุทยัยหาตัวนิโรธหาตัวมรรคทุกขสมุทยัยนิโรธมรรคอยู่ในใจตอนนี้กำลังได้ยินชื่อมัอน แต่ไม่ใช่ตัวมันตอนนี้เราได้ยินทุกสมุทัยนีโรธมากแต่ไม่ใช่เป็นตัวมันเป็นชื่อของมันเวลาเจอตัวมันกลับมองไม่เห็นเวลาทุกข์ใจปวดหัวกินไม่ได้นอนไม่หลับกลับไม่เห็นมันไม่เห็นตัวที่ทำให้เรากินไม่ได้นอนไม่หลับไม่เห็นตัวความอยากอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หาก อยากให้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากไม่ให้เสียสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปเราก็ทําให้วุ่นวายใจตื่นแม่ได้นอนแม่หลับก็พยายามไปแก้กับสิ่งที่เราอยากสิ่งที่เราอยากไม่อยากาาก็จะก็หาวิธีดึงเขาไว้ดึงยังไงเขาก็าไปอยู่ดี แล้วความทุกข์ก็ไม่ได้ดอกไปจากการที่เราไปไ ป, ไปทำไปแก่สิ่งที่เราอยากถ้าเรามาแก้ที่ความอยากเราหยุดความอยากเราปล่อยให้สิ่งที่เราอยากเป็นอะไรก็เป็นไปจะไปก็ไปจะอยู่ก็อยู่อจะไม่มาอยากให้อยู่หรืออยากให้ไป ใจก็จะไม่ทุกข์ใจก็ดับทุกข์ได้เอใจเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยมากว่าเขาจะไปก็ห้ามเขาไม่ได้เขาจะอยู่ก็ห้ามเขาไม่ได้เขาจะด่าก็ห้ามเขาไม่ได้เขาจะชมก็ห้ามเขาไม่ได้เรามองไม่เห็นตัวนี้เนี่ยพอใครด่าขึ้นมาก็ไม่ขึ้นเลย พอใครชมปักก็ขึ้นเหมือนกันขึ้นอีกทางลอยลอยขึ้นไปบนฟ้ายิ้มแป้นพอใครดาปับก็หน้าความน่างอพออยากให้เขาไม่ด่าอยากให้เขาชมแต่ถ้าเข้าไปถึงข้างในแล้วจะรู้ว่าอยากไม่ได้ อยากให้เขาชมก็ไม่ได้อยากให้เขาไม่ด่าก็ไม่ได้ต้องเฉยเฉยต้องเฉยเฉยแล้วทุกข์จะไม่เกิดเขาด่าก็เฉยเฉยเขาชมก็เฉยเฉยทุกอย่างก็เหยือ น, นเงินทองก็อยากไม่ได้อยากให้มาก็ไม่ได้อยากให้อยู่กับเราไม่จากเราไปก็ไม่ได้ เวลามันจะมามันก็มาเวลามันจะไปมันก็ไปเราต้องเฉยกับการมาของการไปของมันถ้าเราไม่เข้าข้างในเราจะเฉยไม่ได้ถ้าใจเราเข้าข้างในเราจะเฉยได้เพราะใจเราสงบใจเรามีความสุขเราไม่ต้องใช้เงินเราไม่ต้องใช้คนนั้นคนนี้มาให้ความสุขกับเรา เขาจะไปก็ไปเขาจะมาก็มาเท่าเรามีความสุขเท่าเดิมเรามีความสุขจากอัปญนาสมาธิจากความสงบของใจที่เป็นความสุขกว่าความสุขที่เราได้จากเงินทองความสุขที่เราได้จากคนนั่นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ความสุขที่ได้จากยศถาบรรดาศักดิ์ความสุขที่ได้จาก กามสารรเสริญเยียรยอมันสู้ความสุขที่เราได้จากความสงบไปได้ในการทําสมาธิจึงทําให้เราได้อะไรหลายอย่างได้เห็นความจริงได้เห็นอริยาาสัจสิ่ที่อยู่ในใจได้เห็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงทําให้เราเฉยกับความสุขต่างๆ ที่มีอยู่ในโลกนี้ได้เฉยกับลาบยศสรรเส ร, ริญเฉยกับรูปเสียงเกลี่นรดได้ลาบยศสรรเส ร, ริญจะเจริญหรือเสือ่อมก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพอใจไม่ต้องอาศัยลาบยศสรรเสริญไม่ต้องอาศัยรูปเสียงเกลี่นลดมาให้ความสุขอยู่เฉยๆก็มีความสุขแล้วอันนี้แหละคือความสําคัญของการปฏิบัติ การปฏิบัติสติสมาธิปัญญาเรามีกันเยอะแยะแล้วเราได้ยินได้ฟังจนหูฉีก่ก็แต่เอามาใช้ดับความทุกข์ไม่ได้เพราะมันเป็นความมันปัญญาข้างนอกไม่ใช่เป็นปัญญาข้างในมันต้องให้เป็นปัญญาข้างในต้องให้ใจเข้าไปข้างในก่อนแล้วมันถึงจะใช้ปัญญาฆ่ากิเลสฆ่าความอยากได้ อันนี้มันอยู่คนละที่กันปัญญาอยู่ข้างนอกกิเลสอยู่ข้างในฆ่ากันก็ฆ่ากันไม่ได้เพราะอยู่คนละที่กันเราต้องดึงใจให้เข้าข้างในแล้วปัญญาที่เราได้จากพระพุทธเจ้าก็จะไปเข้าไปข้างในกับเราแล้วเราก็จะไปเจอกิเลสที่มันอยู่ในใจเราเจอความอยากเจอความโลภเจอความโกรธ แล้วเราก็จะฆ่ามันได้ยันต่อให้ฟังเทศฟังธรรมไปจนวันตายถ้าไม่ปฏิบัติถ้าจิตไม่รวมเป็นสมาธิก็อย่าหวังที่จะมีวันเห็นมีดวงตาเห็นธรรมเลยไม่มีวันที่จะเห็นได้ที่เห็นมันทำปลอมทำที่เห็นมันทำปลอมเป็นชื่อของธรรมไม่ใช่ตัวธรรม ที่ได้ยินไดฟังตอนนี้เป็นชื่อทั้งนั้นอ่ะชื่อกิเลสตันหาความโลภความอยากชื่อสมาธิชื่อสติชื่อปัญญามันเป็นชื่ อ, อมันไม่ใช่เป็นตัวตัวจริงตัวจริงของจริงอยู่ข้างในถ้าเป็นตัวจริงทำจริงมันก็ต้องมันก็ต้องหยุดตันหาความอยากได้หนักความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจได้แต่มัน ไม่ใช่เป็นเป็นตัวปัญญามันเป็นชื่อปัญญาชื่อของปัญญามันก็เลยกี่เลยแล้วไม่กลัวกินเลก็ยังอยากเหมือนเดิมเห็นอะไรก็ยังอยากได้เหมือนเดิมเห็นอะไรสวยก็อยากได้เห็นอะไรไม่สวยก็อยากโยนทิ้งไปยังทำใจเฉยไม่ได้ ถ้าเราใช้สติควบคุมใจให้นิ่งให้สงบใจก็จะเฉยได้เห็นอะไรก็เฉยได้ถึงแม้จะเคยชอบแต่รู้แล้วว่าชอบแล้วถ้าไปอยากก็จะทุกข์อยากชอบดีกว่าเฉยดีกว่าเห็นอะไรที่ชังก็เหมือนกันชังก็เฉยดีกว่าเห็นถ้าชังแล้วไปทำนู่นทำนี่ก็วุ่นวายใจไปล่เปล่าปล่อยเขาไป เราไปควบคุมบังคับไม่ได้อย่างมากก็เดินหนีกันไปถ้าหนีได้ก็หนีหลบได้ก็หลบเหลิกได้ก็เหลิกหลบไม่ได้หลีกไม่ได้ก็เฉยอยู่ด้วยกันไปเหมือนนิ้นกับฟันถ้ายัางต้องอยู่ร่วมกันก็อยู่กันไปอยู่ด้วยความเฉยไม่เดือดร้อนถ้าไม่จำเป็นจะต้องอยู่ก็แยกกันอยู่ไปคนละทิศคนละทาง ไปอยู่คนเดียวดีกว่าต้องมาฝึกสติกันให้มากๆสตินี้เป็นตัวดึงใจเข้าข้างในตัวที่ดึงใจออกข้างนอกก็คือกิเลสนี่ยตัณหาความอยากความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสมันก็จะดึงใจให้ไปหารูปหาเสียงหากิน่นหารสออกไปเห็นรูปไปสัมผัสกับเสียง ก็เกิดความอยากขึ้นเลยอยากได้บ้างอยากไม่ได้บ้างแล้วแต่ถ้าเป็นของชอบก็อยากได้ถ้าเป็นของไม่ชอบก็อยากไม่ได้อยากให้มันหายไปเช่นเสียงไม่ดีเสียงด่านี่เสียงตำหนิดตีนี่อยากจะให้มันหายไปถ้าเป็นเสียงชมนี่อยากจะให้มันชมไปเรื่อย กิเลสมันดันออกไปความอยากมันดันให้ไปหารูปเสียงกลิ่นวรูปก็เหมือนกันถ้าของไหนสวยของไหนน่ารักก็อยากได้ถ้าของไหนไม่สวยก็อยากจะให้มันหายไปถ้าเห็นหน้าแล้วมีมีเขาเรียกอะไรอะไรากานะละนิการนะเห็นหนังเหี่ยวย่น เห็นผมแล้วมันขาวขึ้นมานี่ก็อยากจะให้มันหายไปถ้าไม่หายก็ทุกข์เครียดถ้าสิวขึ้นมาทั้งเม็ดทีหน้านก็ทุกข์อยากให้มันหายไปนี่คือความอยากมันดันใจให้เรามาแล้วกาลัสร้างความทุกข์ให้กับเรา เห็นอะไรมันต้องมีทั้งสองอย่างมันไม่ใช่มีแต่ของที่เรารักเราชอบอย่างเดียวมันเป็นของคู่กันในโลกนี้มีรักก็ต้องมีชังมีดีก็ต้องมีชั่วมีเจริญก็ต้องมีเสือ่อมจะเอาอย่างเดียวไม่ได้ถ้าไม่อยากจะได้เสื่อมก็อย่าไปเอาเจริญถอยเข้าไปข้างใน ดึงใจเข้าไปข้างในใช้สติดึงใจสู้กับความอยากถ้าสติมีกําลังมากกว่ามันก็จะดึงใจให้เข้าไปอุเบกขาเข้าไปสู่ความสงบเข้าไปสู่ความไม่มีความรักไม่มีความชางังไม่มีความกลัวไม่มีความหลงเฉยเฉยเห็นอะไรก็ไม่กลัวเห็นอะไรก็ไม่ชัง<ม>เห็นอะไรก็ไม่รักเห็นอะไรก็ไม่หลงเฉยเฉย มันจะเป็นยังไงก็เรื่องของมันไม่เดือดร้อนมัตนต้องอาศัยสติถ้าไม่มีสติจะไม่สามารถนึ่งใจให้เข้าไปสู่ อ, อุเบกขาเข้าสู่ความสงบได้มันไม่ยอมเข้าไปเองเพราะมันมีตัวคอยดันออกอยู่เรื่อยๆตัวดัวดนออกก็คือกามะตัณหาความอยากในรูปเสียงกปลี่นรอดภาวะตัณหา ความอยากมีอยากเป็นไม่มีเงินก็อยากมีไม่รวยก็อยากจะรวยไม่สวยก็อยากจะสวยไม่รอก็อยากจะรอไม่ไม่เป็นใหญ่เป็นโตก็อยากเป็นใหญ่เป็นโตเป็นแล้วก็ไม่อยากจะให้ไม่เป็นเป็นใหญ่เป็นโตก็อยากจะให้เป็นไปเรื่อย ไม่อยากจะให้กลับมาเป็นเป็นเล็กเป็นน้อยต้องเป็นใหญ่เป็นโตไปเรื่อยๆความอยากเหล่านี้มันจึงดันให้เราต้องออกมาจัดการกับสิ่งต่างๆที่เราอยากรูปก็ต้องหาแต่รูปสวยๆงามๆรูปที่เราชอบก็ชอบเสียงก็ต้องหาแต่เสียงที่เรารักเราชอบปิ่นก็เหมือนกันนั้น น้ำหอมขุนิดเดียวราคาเป็นพันเป็นหมืนนะ่นเพราะกลิ่นมันหอมนี่แหละคือสติเราสู้กิเลสไม่ได้ใจเราเลยต้องไขว่คว้าหารูปเสียงกลิ่นรสกันอยู่ตลอดเวลาหามาแล้วก็ต้องมาทุกข์กับมันเพราะมันมาแล้วเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปหรือมันหมดไป หมดไปก็เสียใจหมดไปก็เหงาซึมเศร้าต้องหาใหม่หามาทดแทนใหม่หาได้ก็ดีใจเดี๋ยวก็หมดไปก็ต้องหาใหม่หาไม่ได้ก็ซึมเศร้าทุกข์ใจถ้ามีสติแล้วดึงใจเข้าข้างในใจก็จะสงบใจก็จะสุข ก็จะเย็นจะสบายไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนกับรูปเสียงกลื่นลต่างๆมีหรือไม่มีก็ไม่ไม่เป็นปัญหาจเจริญหรือเสื่อมก็ไม่เป็นปัญหาเพราะเรามีความสุขจากความสงบมีความสุขจากอัปปนาสมาธินี่แหละเป็นธรรมที่สาคัญ ธรรมที่จะทำให้เกิดความสงบ ก, ก็คือสติสตินี้จึงเป็นธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพระพุทธเจ้าทรงตรัสไม่มีธรรมอันใดที่จะยิ่งใหญ่สำคัญเท่ากับสติท่านเปรียบเทียบสติเหมือนรอยเท้าช้างในป่านี้ไม่มีรอยเท้าของสัตว์ใดที่จะใหญ่กว่ารอยเท้าช้างรอยเท้าช้างนี้ครอบรอยเท้าของสัตว์ทุกชนิดได้ด ความสำคัญของสติก็ครอบความสำคัญของธรรมอื่นทั้งหมดเพะธรรมอื่นถึงแม้จะสำคัญมีประโยชน์แต่ถ้าไม่มีสติก็เกิดขึ้นมาไม่ได้ถ้าไม่มีสติก็มานั่งฟังเทศฟังธรรมไม่ได้เมาโอยกินเล่าเมาไม่มีสติมันฟังธรรมจะมาเจริญปัญญาก็เจริญไม่ได้ จะนั่งสมาธิพุโทโธพุโทโธก็คร อ, อกหลับเยจึงต้องมีสติ mm hmm. จะรักษาศีลก็รักษาไม่ได้ mm hmm. นึกอยากจะทำอะไรก็ห้ามใจไม่อยู่ mm hmm. ต้องมีสติ mm hmm. มีสติแล้วก็จะรักษาศีลได้ mm hmm. แล้วก็จะมา ทำสมาธิทำใจให้สงบได้แล้วก็เอามามาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษาปัญญาของพระพุทธเจ้าแล้วก็นำเอามาใช้ทำลายความหลงที่เป็นต้นเหตุของความอยากต่างๆให้หมดไปต้องเริ่มต้นที่สติก่อนจึงต้องฝึกสติให้มาก ตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยเราสามารถจเจริญสติได้ตั้งแต่ตื่นจนหลับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนทำอะไรถ้าเราตั้งใจจริงๆเราสามารถจเจริญสติได้ตลอดเวลาสติก็ให้ใจอยู่กับเรื่องเดียวฉะน้นให้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธไปลืมตาขึ้นมา กพ็พุโทโธพุทโธไปลุกไปเข้าห้องน้ำอาบน้ำอาบท่าล้างหน้าแปรงฟันกับพุโทโธไปอย่าค่อยให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับเรื่องเดียวคิดมันก็เหมือนพุโทโธมันก็เหมือนกับคิดเนี่ยเพียงแต่มันคิดเรื่องเดียวมันก็เลยไม่มีอารมณ์ต่างๆไม่มีความอยากต่างๆแต่ถ้าไปคิดหลายเรื่องมันก็จะเกิดอารมณ์เกิดความอยากขึ้นมาคิดถึงขนมก็อยากกิน คิดถึงเครื่องดื่มก็อยากดื่มแต่ถ้าคิดอยู่กับพุโทโธพุทโธมันก็จะไม่มีอารมณ์อยากมันก็จะว่างเย็นสบายแล้วพอนั่งสมาธิมันก็จะสงบเอาความสุขที่ได้จากการนั่งสมาธิดีกว่าอย่าเอาความสุขที่ได้จากการไปดื่มไปรับประทานไปมีแฟนมีอะไร ป็นเป็นความสุขป April, ้อมเป็นความสุขชั่วคราวที่เปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลาที่มีการเสื่อมได้ทุกเวลาเอาความสุขที่ไม่เปลี่ยนแปลงที่ไม่เสื่อมดีกว่าเอาความสุขที่เกิดจากการเจริญสติเอาความสุขที่เกิดจากการนั่งสมาธิการนั่งสมาธิก็คือการเจริญสตินี่ใช้สติพุทโธพุทโธไป เหตุสติเป็นเหตุสมาธิเป็นผลเวลาเรามีพุโทโธพุโทโธแล้วนั่งเฉยๆจิตก็จะรวมเข้าสู่สมาธิเข้าสู่ความสงบความสงบก็คือสมาธิภาษาไทยเราใช้กันสับสนเราใช้สมาธิแทนสติกันแต่วันนี้บ่นว่าแม้วันนี้ไม่มีสมาธิกับการทำงานเลยไม่มีสมาธิกับการอ่านหนังสือเลย ไม่ใช่นี่ต้องเรียกว่าไม่มีสติกับการทํางานไม่มีสติกับการอ่านหนังสือถ้าเป็นสมาธินี้มันไม่อ่านไม่มทํางานแล้วมันเฉยแล้วมันสงบแล้วนนิ่งแล้วมันสากแต่ว่ารู้บางทีร่างกายก็หายไปแล้วนั่นแหละถึงจะเรียกว่าสมาธิเราเอาคําสมาธิมาใช้แทนสติกัน พ อ, อมาพูดถึงสติก็เลยไม่เข้าใจงงไม่สติแปล ว, ว่าอะไรก็คือสติก็คือคำสมาธิที่เราใช้กันอยู่นี่แหละแต่มันตามหนักแล้วมันต้องเป็นสติเป็นเหตุสติก็คือการจดจ่ออยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่มีสติในการทำงานถ้าไม่มีสติมันก็คิดถึงขนมคิดถึงแฟนคิดถึงที่เที่ยวคิดถึงปัญหาร้อยแปดันประการ นี่เรียกว่าไม่มีสติในการทำงานแต่เราก็เปลี่ยนคําสติมาเป็นสมาธิเพราะพวกเราเกิดมาไม่เคยเจอสมาธิกันไม่รู้ว่าสมาธิเป็นอะไรกันก็เลยดันเอาเอาสมาธิมาแทนสติกันก็เลยไม่รู้ว่าสมาธิเป็นยังไงสมาธิคือจิตสงบนิ่งหยุดความคิดปรุงแต่งสักระว่ารู้ไม่หลับนะ บาคนก็คิดว่านั่งสมาธิแล้ ว, แ, ลวแต่ไม่รู้อะไรเลยรู้ทุกอย่างเหมือนเราคุยกันตอนนี้แล้วอยู่ดีๆทุกอย่างก็เงียบลงเสียงหายไปหมดหยุดคุยกันเรายังรู้อยู่เปล่าเวลาเราหยุดคุยกันแล้วก็ยังรู้อยู่แต่ถ้าหลับก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าเวลาคุยกันหรือไม่คุยกันก็ไม่รู้ จะมารู้ตอนที่เขาเริ่มคุยกันใหม่ตอนที่เขาหยุดคุยไม่รู้ว่าเขาหยุดคุยกันถ้าหลับไม่รู้เรื่องแต่ถ้าเป็นสมาธิมีสติรู้เวลาจิตหยุดคิดก็รู้เวลาจิตคิดก็รู้รู้ตลอดเวลาต ส, สตินี้สำคัญมากอย่าปล่อยให้มันขาดการพัฒนาเลย ตอนนี้เรามีสติแต่มันเป็นสติระดับปุถุชนสติระดับมนุษย์คือสติมีสติที่รักษาสีลห้าได้ก็เป็นมนุษย์ได้ถ้าต่ำกว่านั้นถ้ามีสติถ้าไม่ไม่มีสติที่รักษาสีลห้าได้ก็เป็นเดรัจฉานเดรัจฉานาม่นมีสติแต่มันน้อยกว่ามนุษย์มันไม่สามารถรักษาสีลห้าได้เดรัจฉานนี่เวลามันจะเสพกามมันไม่สนใจว่าเป็นใครละ เป็นพ่อเป็นแม่มันก็เสพเวลามันเกิดความอยากแล้วมันหน้ามืดมันไม่รู้ผิดถูกดีชั่วไม่รู้ว่าการเสพการกับบิดามารดานี้ไม่ควรกระทําแต่เมื่อมันเกิดความกาหนัดยินดีแล้วมันเจอมันเจอตัวไหนที่ไหนเมื่อไหร่มันก็จะเสพกันทันทีมันไม่มีสติ ที่จะยับยั้งช่างตัวความผิดถูกดีชั่วได้มันจะทำมันจะกินอะไรมันก็กัดกินทันทีถ้ามันกัดได้กินได้ถ้ามันขโมยอะไรได้มันก็ขโมยทันที <Yeah. S 1> นี่คือสติระดับเดรชานไม่สามารถที่จะรักษาศีลห้าได้แต่ผู้ที่สามารถรักษาศีลห้าได้ก็ถือว่าเป็นสติผู้มีสติระดับมนุษย์แต่เป็นมนุษย์ปุถุชน ยังไม่ได้เป็นมนุษย์ระดับอริยะบุคคลถ้าเป็นระดับอริยะบุคคลนี้ศีลไม่ขาดร้อยเปอร์ซนไม่ทำบาปร้อยเปอร์เซ็นตเป็นมนุษย์นี้ยังไม่แน่บางทียังขาดได้แต่ถ้าเป็นอริยเจ้านี้จะรักษาศีลอย่างรอยเปอร์ซนไม่มีวันขาดนีนเราต้องมาพัฒนาสติของเรา ที่ยังมีกำลังน้อยอยู่ก็เหมือนกับเรามาเติมน้ำมันชนิดที่มันแรงกว่าเดิมตอนนี้รถใช้91ก็ลองมาลองใช้9 5ดูแล้วดูพลังของมันเหยียบที่นี่พุ่งปลาดเลยอตอนนี้เหยียบ91นี่ค่อยๆเออด้อดขึ้นไปถ้าใสา่9 5เหยียบป็๊รุดไปเลย มาฝึกสติกันมาดึงใจเข้าข้างในกันตอนนี้เราใจเราถูกตันหาดึงออกดึงมาหาลูกเสียงกลิ่นรส ด, ดึงมาหาราบยศสารเสวนดึงมาอยู่ที่ร่างกายมาเกาะติดอยู่กับร่างกายมาห่วงร่างกายมาห่วงร่างกายมาทุกข์กับร่างกายมาทุกข์กับลูปเสียงกลิ่นรสมาทุกข์กับราบยศสารเสริญ เพราะของพวกนี้มันไม่เที่ยงมันต้องเปลี่ยนมันต้องเสื่อมเวลามันเปลี่ยนเวลามันเสื่อมเวลามันดับมันก็ทำให้เราทุกข์กันเพราะเราอยากให้มันไม่เสื่อมเราอยากให้มันไม่เที่ยงเราอยากให้มันถาวรแต่มันไม่ถาวรพอมันไม่ถาวรมันก็ทำให้เราทุกข์กัน กิเลสมันดึงเข้าเราดึงให้เรามาหาความทุกข์กันเราถึงต้องใช้สติดึงออกจากกองทุกข์กันใช้พุโทโธพุโทโธหรือใช้การใช้การเฝ้าดูการกระทำต่างๆของร่างกายทำงานด้วยสตยิให้มีสติในการทำงานให้มีสติในการเดินการยืนการนั่งการนอนอการกระทำอะไรต่างๆ แล้วเวลาอยากจะให้จิตสงบนิ่งรวมเป็นหนึ่งศัก์แต่ว่ารู้ก็ต้องเอาร่างกายมานั่งเฉยๆไม่ให้ทำอะไรเพราะถ้ายังทำอยู่จิตก็ยังต้องคอยควบคุมเป็นคนสั่งให้ร่างกายทำอะไรอยู่จิตก็จะไม่หยุดไม่นิ่งถ้าอยากจะให้จิตนิ่งก็ต้องทำให้ร่างกายนิ่งก่อนให้ร่างกายนั่งอยู่เฉยๆแล้วทีนี้ก็ ใช้พุโทโธใช้สติหยุดความคิดพอหยุดความคิดปับ๊บเนี่จิตก็นิ่งสงบเป็นสมาธิขึ้นมาเป็นอุเบกขาขึ้นมาสักแต่ว่ารู้ขึ้นมามีความสุขขึ้นมาพอได้อันนี้แล้วทีนี้ก็จะมีทางเลือกแล้วเมื่อก่อนไม่มีทางเลือกเมื่อก่อนต้องหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต้องหาความสุขจากราบยศสนะเสริม หาความสุขจากคนนั้นคนนี้อย่างนี้เรามีความสุขใหม่แล้วมีทางเลือกแล้วเหมือนกับได้รถใหม่ม่อีกคันหนึ่งแล้วมีรถสองคันแล้วทีนี้จะเลือกใช้คันไหนดีอคันใหม่หรือคันเก่าอคันใหม่นี้พร้อมสัรพทุกอย่างรุ่นใหม่ล่าสุดคันเก่านี่ใช้มาโกโลโกโซโโลเซลอโดนเลยบางทีก็ทตดดัสก็ติดบางทีก็ไม่ติด จะเลือกใช้คันไหนดีวันต้องใช้คันใหม่ใช่ไหมของใหม่มันดีกว่าของของไหนที่มันดีกว่าก็ต้องเอาวันนั้นพอเราได้ความสงบแล้วเราจะได้ความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราได้จากราบยศจลเส ร, ริญจากรูปเสียงกลิ่นรสจากคนนั้นจากคนนี้จากสิ่งนั้นสิ่งนี้พอเรายังมีความอยากพอความอยากที่อยากจะไปหาความสุขแบบเก่าก็บอกบ้าหรือเปล่าความสุข ใหม่นี่ดีกว่าเยอะแยะสบายกว่าเยอะแยะไปเอาความสุขเก่าทําไมความสุขเก่านอกจากให้สุขแล้วยังให้ความทุกข์กับเราอีกเวลาลดสตาร์ทไม่ติดนี่มันก็ทุกข์ละคันใหม่ลีสตาร์ทที่ไรก็ติดทุกทีวิ่งได้ทันทีคันเก่าก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กอยู่กว่าจะติดต้องนุน่นต้องภาวนาฟุตโถฟุตโธกว่าจะติดพอติดทีก็ต้องอ้า <c oughs> นี่ะคือความสุขแบบเก่าความสุขที่ไม่แน่นอนบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้สั่งก๋วยเตี๋ยวได้ข้าวผัานมาก็ทุกข์แล้วนะนี่คือความสุขเก่าที่เราได้กันพอเราได้ความสุขมาแล้วทีนี้เราก็จะหยุดความอยากที่จะหาความสุขเก่าได้หยุดความอยากที่จะหาลูกเสียงกลิ่นรสได้หยุดความอยากมีอยากเป็นได้หยุดความอยากไม่มีอยากไม่เป็นได้ เราก็จะไม่มีความอยากอีกต่อไปอยู่แบบไม่มีความอยากสบายแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่กินไม่อะไรไม่ทำอะไรแต่ทำโดยไม่ต้องอยากมีอะไรก็เอามันอย่างนั้นมีอะไรกินก็กินอย่างนั้นมีอะไรให้ดูก็ดูอย่างนั้นมีนึเกก็ดูนึเกมีละครก็ดูละครไม่มีนึเกไม่มีละครก็ไม่ต้องดูมันบางทีดูแล้วก็ปวดหัวอย่าดูดีกว่าอยู่เฉยๆดีกว่าอยู่คนเดียวดีกว่า ไม่รับรู้ลูกเสียงกลิ่นรดอยู่กับความสงบดีกว่าแต่ถ้าจาเป็นจะต้องดูก็ดูได้แต่ถ้าไม่จาเป็นจะต้องดูก็ไม่ต้องดูไม่จาเป็นต้องฟังก็ไม่ต้องฟังอยู่กับความสงบอยู่กับความเงียบดีกว่าเป็นเหมือนน้ำสะอาดบริสุทธิ์ไม่มีกลิ่นไม่มีสีไม่มีรสไม่มีพิษไม่มีภัยมีแต่ประโยชน์คือความสงบ แล้วก็เป็นของของเราเป็นของแท้จริงเป็นนิจจังสุขขังอัตตาอันนี้แหละถ้าอยากจะหาสิ่งที่เป็นนิจจังสุขขังอัตตาก็ต้องมาหาที่ความสงบเลยเพราะความสงบนี้จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงถ้าเราได้ถึงขีดที่มันไม่เปลี่ยนแปลงแล้วมันจะอยู่กับเราไปตลอดความสงบของพระนิพพานเนี่ยเป็นความสงบที่ถาวรไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันเปลี่ยนแปลง ไม่มีวันที่จะจากเราไปเป็นของเราไปตลอดไม่มีใครสามารถมาแย่งเอาไปได้ไม่เหมือนแฟนเรานี่เผลอๆเดี๋ยวก็มีคนมาแย่งไปได้ลูกเต้าเดี๋ยวก็ไปจากเราเลี้ยงมันโตแล้วเดี๋ยวพอมันได้แฟนมันก็ทิ้งเราแล้วมันจะอยู่กับเราทาไมเรายังทิ้งพ่อแม่เลยแล้วลูกเรามันจะไจำไม่ทิ้งเรา นะขอให้เราให้ความสำคัญกับการเจริญสติการเจริญสติถ้าอยากเจริญได้อย่างรวดเร็วง่ายดดยก็ต้องไปเปรกวิเวกอยู่คนเดียวอย่าไปอยู่กับงานการอยู่กับคนนั่นคนนี้แล้วมันคิดมันต้องคิดปรุงแต่งคิดแล้วก็เหมือนรถวิ่งลงเขามันไม่ยอมหยุดง่ายๆพอจะมานั่งสมาธิความคิดยังฟุ้งอยู่ในใจ เรื่องงานก็ยังฟุ้งอยู่เรื่องคนนั้นคนนี้ก็ยังฟุ้งอยู่ในใจพอนั่งไปสักพักพอจะสงบก็หมดแรงซะละเหนื่อยซะละถ้าไปอยู่คนเดียวปลีกเวเวกอยู่ในป่าในเขาไม่รับรู้เรื่องราวต่างๆนี่ตื่นเช้าขึ้นมาก็พุโทโธพุทโธไปไม่มีเรื่องให้คิดไม่มีเรื่องให้กังวลไม่มีเรื่องให้ฟุ้งพอมานั่งสมาธิแป๊บเดียวห้านาทีสิบนาทีก็รวมเข้าสู่สมาธิ หลุมตกบ่อนิ่งสงบสบายมีความสุขพอออกมาก็มาพกักเจริญสติต่อเพราะยังไม่ยังไม่ชำนาญยังไม่คล่องแคล่วยังไม่ยังไม่ต่อเนื่องมาทําสติต่อทํามันทั้งวันยกเว้นเวลาหลับเท่านั้นให้มีสติให้มีสมาธิตลอดเวลาที่เราตื่นอันนั้นถึงจะเรียกว่ามีสมาธิแล้วได้สมาธิแล้ว พอได้สมาธิแบบตามลัทธิมนี้ก็ต้องมาเจริญปัญญาสลับกันเวลาไม่นั่งสมาธิออกมาก็ต้องมาเจริญปัญญาพิจารณาตายรักกันพิจารณาอสุภะพิจารณาความเป็นปฏิกูลของอาหารของสิ่งที่เรารับประทานกันเพื่อจะได้ตัดความอยากในสิ่งต่างๆเหล่านั้นเพราะมันไม่น่าดูน่ากินมันไม่น่ารักไม่น่าเอามาเป็นแฟน ตาเห็นว่าร่างกายนี้เป็นซากศพไม่มีใครอยากจะได้แล้วแต่มองไม่เห็นซากศพกันเห็นว่าเป็นคนเป็นเป็นหญิงเป็นชายกันยังไม่เห็นตอนที่เวลามไม่หายใจตอนที่หายไม่หายใจแล้วนี่ต่อให้รับกันขนาดไหนก็ยกให้สับปเปลอดได้อย่างง่ายได้ไม่หวงไม่ไม่เสียดายเลยดีใจเสียที่เข้ามารับไป พราะไม่อยากจะอยู่กับอกองขยะศพถ้าเก็บไว้ที่บ้านไม่ทําอะไรเดี๋ยวมันก็เน่าเฟะเดี๋ยวก็ส่งกลิ่นเหม็นก็คือร่างกายของเราเนี่ยแหละร่างกายของคนเราทุกคนเนี่ยมันเป็นศพเดินได้ดีๆนี่ออนนี้มันเดินได้มันก็เลยชลําระความสกปรปกของมันได้ถ้าเราไม่อาบน้ำตั้งสามวันดูนี่มีใครอยากจะเข้าใกล้บ้าง เนี่ยคือการพิจารณาให้เราเบื่อหน่ายกับร่างกายไม่รักไม่หลงร่างกายทั้งของเราและของคนอื่นไม่หลงรักว่าร่างกายเราต้องสวยต้องงามต้องว้ผมต้องทำผมชนิดนั้นผมช น, นิดนี้นี่ต้องทำทำสีนั้นทำสีนี้มันก็ทำให้กับสบดีๆนี่เองสพเดินได้ ศพเนี่ยศพที่ยังหายใจได้พ อ, อ, อ, อไม่หายใจแล้วแม่นี่ค่ยไปทำทำผมไม่ศพเลยไม่ไปทาคิ้วแต่งหน้าทาปากให้กระศพนี่คือหลังจากได้ได้สมาธิแล้วํำนานในการเข้าออกสมาธิต้องการให้จิตสงบเมื่อไหร่ก็สงบได้ ถึงจะค่อยออกทางปัญญาถ้ายังสั่งให้สงบไม่ได้เดี๋ยวออกทางปัญญาแล้วมันฟุงฟ้งฟุ้งนอยจะให้กลับเข้าไปในสมาธิมันกลับเข้าไปยากแต่ถ้าเราชำนาญแล้วพอมันฟุ้งปับ๊บเราก็หยุดเข้าสมาธิไปพักจิตก่อนแล้วพอออกจากสมาธิมาก็มาพิ จ, จารณาพิจารณาบ่อยๆเพื่อไม่ให้ลืมให้จําได้ให้รู้ว่าเราเป็นซากศพเดินได้ ให้รู้ว่าคนที่เราลักเราชอบนี้ก็เป็นซากศพเนินได้ถ้ารู้อย่างนี้แล้วจะไม่ลักไข่ไม่ชังไขไม่หวงไม่หวงไข่ก็รู้ว่ามันเป็นซากศพดีๆนี่เองเดี๋ยวก็ไปวัดกันทุกคนเลยนี่คือปัญญามีไว้เพื่อตัดความหลงที่จะมาทำให้เกิดความอยาก พอเห็นสิ่งที่เราอยากได้ว่าเป็นทุกข์ไม่สุขเห็นสิ่งที่เราอยากได้ว่าไม่สวยไม่งามก็ไม่อยากได้ละถ้ายังเห็นว่ามันสวยมันงามอยู่ก็อยากได้ถ้าเห็นว่ามันไม่สวยไม่งามสวยวันนี้ก็สวยปลอมเดี๋ยวสังวันมันก็ต้องมันก็จะต้องไม่สวยไม่งามความไม่สวยไม่งามเนี่ยเป็นของจริงความสวยเนี่ยเป็นของปลอม ไปดูคนกี่คนมาสวยขนาดไหนเป็นดาราเป็นนางงามเป็นนายแบบเวลาตายไปนี่สวยไหมไม่สวยแล้วะนะถ้าเห็นอย่างนี้มันก็จะไม่มีความอยากมันก็จะตัดความอยากต่างๆราบยศสรรเสริญก็เหมือนกันมาแล้วเดี๋ยวก็ไปไม่ไปเราก็ไปเดี๋ยวร่างกายตายไปเราก็ต้องทิ้งหมด รับสมบัติเก้าวของเงินทองตำแหน่งะอะไรต่างๆก็เป็นนายกอนายขอก็หมดไปนายกอก็นายกใช่ไหมเ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวก็หมดไปตายแล้วเขาไม่ให้นายยกไปด้วยหรอกเขาเขาให้นายกอยู่กับคนใหม่คนเก่าก็เอาแต่ออ <c oughs> ไม่เอาอะไรไปเลยเอาไปแม้ร่างกายก็ไปไม่ได้ สับปเปล่าไปอันนี่คือการปฏิบัติการฟังเทศฟังธรรมนี้เป็นจุดเริ่มต้นให้เรารู้ว่าเราต้องปฏิบัติอะไรถ้าเราไม่ปฏิบัติฟังไปจนวันตายก็ไม่มีวันที่จะไปเจ อ, อทำอันประเสริฐไม่มีวันที่จะดับความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปได้ต้องเกิดจากการจเจริญสติเป็นหลัก จะลสติตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับแล้วพอมีเวลาว่างก็นั่งหลับตาพุโทโธพุโทโธหรือดูลมไปให้จิตรวมเปน็นอัปปนาแล้วก็ทํามันบ่อยๆทํามันทั้งวันสลับกับการเดินจนสามารถทําใจให้สงบได้ทุกเวลาที่ต้องการเมื่อชําชนาญแล้วเก่งทางสมาธิแล้วทีนี้ก็ออกทางปัญญาถ้าไม่ออกถึงจะเรียกว่าติดสมาธิ ไอ้พวกที่กลัวติดสมาธิยังไม่ทันได้สมาธิก็กลัวติดสมาธิแล้วรีดไปทางปัญญากันใหญ่ <c oughs> <c oughs> พอไปทางปัญญาก็ฟุ้งใหญ่เลยนั่งสมาธิก็ไม่สงบปัญญาก็เลยไม่ได้เป็นปัญญาเพราะทำใจให้สงบไม่ได้ปัญญาแท้จริงมันต้องทำใจให้สงบทำให้ใจไม่อยากนั้นอย่าไปข้ามขั้นตอน เอาสติให้ได้ก่อนเพื่อให้จิตสงบได้ตลอดเวลาเมื่อควบคุมสั่งให้จิตเข้าสมาธิาได้ทุกเวลาที่ต้องการแล้วทีนี้ค่อยไปทางปัญญาสลับกับการเข้าสมาธิพอเวลาไปทางปัญญาเดี๋ยวมันฟุง้งพิจารณาไปสักพักเดี๋ยวเผอกิเลสมันดึงไปดึงไปทางกิเลสมันก็ฟุ้งได้พอมันเริ่มออกนอกเหมือนขับรถเนี่ยพอมันออกนอกรูนอกทางก็ต้องดึงมันเข้ากลับเข้ามาในทาง พอมันเริ่มฟุ้งก็หยุดพิจารณาอม า, มาเข้ามาสมาธิทําใจให้สงบพอสงบแล้วหายฟุงแล้วออกจากสมาธิมาก็พิจารณาใหม่ที่ต้องพิจารณาอยู่เรื่อยเพื่อไม่ให้หลงไม่ให้ลืมพูดอย่างเงีย้ยเดี๋ยวก็ลืมเดี๋ยวออกไปเจออะไรปั๊บลืมไปหมดแล้วเห็หนอะไรสวยๆงามๆชอบทันทีอยากได้ทันที แต่ถ้าพิจารณาบ่อยๆถ้าไม่ลืมแล้วมันจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา อ, อยากได้ล้วก็เท่ากับอยากได้ความทุกข์เท่านั้นเองเพราะสิ่งที่เราอยากได้มันจะต้องเปลี่ยนไปจะต้องหมดไปแต่คิดไม่ทันกันนะพอเห็นอะไรปั๊บนี้ไม่คิดแล้วมันจะอนิจจังหรือทุกขังอนัตตารู้แต่อนิจจังสุขขังอนัตตาทันทีนี่ต้องพิจารณาอยู่เรื่อย ความทิจานาแล้วมันไม่ลืมเห็นอะไรักปั๊บพออยากปั๊บมันก็อันนี้จังทุกขังหน้าตาตามมา ท, าทันทีอย่างนี้มันก็หยุดอยากได้ทันทีอพอหยุดอยากได้ไม่มีความอยากแล้วก็สบายอยู่เฉยๆก็มีความสุขก็ขอให้ท่านจงพยายามปฏิบัติกันฟังธรรมกันมาจนหูฉี่แล้วถึงเวลาที่จะต้องปฏิบัติให้มันอ ให้มันตายฉีกบ้างให้กิเลสฉีกบ้างให้กิเลสมันตายกันบ้างบางทำอย่างเดียวยังไม่ตายอาจจะทำให้มันสลบจะไหลบ้างแต่ยังไม่ถึงกับตายอยากให้มันตายจะต้องภาวนาต้องเจริญสตินั่งสมาธิเดินจงกรมสีกวิเวกแล้วรับรองหน้ากิเลสตัณหามันจะตายเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ฆ่ามันเพราะนี่คือวิธีที่พระพุทธเจ้าฆ่ากิเลสตัณหา ก็คือการปฏิบัติเอาล่ะนะการแสดงก็พอสมควรแก่เวลา<ม>ก็จะอนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสากลังเอวเมวอิตตทนินังเปตานาังอุปกาปติอิจิตังปฏิตังตุมหงคิะเมวะสมิจตุ สัพเพปเรนตุสังคปาจันโทปนะระโสยธาเมณิจติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจันตุสัพพะโรโวินัสตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีธีขายุโกภะ อาภีวาาัธนาสลิตสะนิจังวุฒาปัจจายินโนจตารูธมรมวะทานติอายุวโนสุขังภาลางอาจารย์มีอะไรจะถามไหมก็กำลันปุกให้มีสติมีธรรมที่ เห็นความสำคัญของสติหรือยังสติต้องมีระดับให้มันเป็นปัจจุบันตลอดเวลาให้จิตอยู่ในปัจจุบันตลอดเวล า, าไม่คิดปรงแต่งเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้สักแต่ว่ารู้ไปอันนี้ก็ไม่ไม่ได้รับสอนที่จะต้องเตรียมตัวมากเราจะพะกที่ทานอาจารย์ถามเมื่อ เมมาสองรอบที่แล้วอาจารย์ถามว่าจะสอนหนึ่งชั่วโมงเนี่ยต้องเตรียมตัวกี่ชั่วโมงแต่แตอนนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะอาจารย์เนี่ยจะเน้นตรงไหนอืมจะพอกลับไปคนเชิญมาให้ไปพูดให้หมอพวกประเทศ ฟ, ฟังอืมก็เราเล็กี่อาจารย์ถามขึ้นมาได้เลยเจ้าค่ะอเพราะฉะนั้ น, นจะต้องเตรียมกันต้องคิดมากไลาเสริบหลาย มันก็สวนทางกับการทําสมาธิคุณครูที่อาจารย์ใช้คำพูดถึงว่าทั้งคนสอนทั้งคนเรียนก็องมาเวียนว่าย้ายเกิดอยู่อย่านี้เลยอ่าใ่เพรเป็นวิชาที่ไม่ได้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดเป็นส่งเสริมให้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่ดีกินดีก็อยากจะกลับมาอยู่ดีกินดีต่อ อยู่นะทุกข์ยากลาบากจะได้ไม่อยากจะกลับมาเกิดถ้าอยู่อย่างสุขสบายแนละ้วมันก็ติดถ้ามันอยู่อย่างทุก์ยากลำบากมันไม่รู้จะเกิดทำไ ม, มเกิดมาแล้วทุกข์เกิดมาทำไม่ไมไม่เห็นทุกข์กันพอเราความสุขความสบายมาบางังมามาบังไว้ ความทุกข์มาเลยมาตอนบ้นปลายตอนแก่ตอนเจ็บตอนตายทั้งนี้แต่ตอนที่มีชีวิตอยู่นี่ก็วิ่งหาความสุขมาปกมาปิดกันมันก็มบาบังตลอดนะอ่ะนยาะยไม่เห็นความทุกข์เลโครงการมาเกิดกันพระพุทธเจ้าเพียงแต่เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายคนตายก็ทุกข์ว่าไม่อยากจะกลับมาเกิดและอย่างนักปาช ตาปาดมองเห็นอะไรนี่เห็นเห็นถึงใจเลยเห็นแล้วมันมันสะเทือนใจของเราเห็นแล้วเฉยๆเป็นหมออยู่กับคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายเฉยๆหรือพก็จะนอนขาดเลยนอนขาดไปตรงโน้นนะเจ้เรามองแล้วเฉยๆไม่เคยโอไม่เคยย้อนกลับก็ามาหาตัวเราเห็นว่าเป็นคนอื่นไม่ใช่เรา แต่พระพเจ้าเห็นคนแก่แล้วก็เห็นเห็นตัวเองแก่เลยเห็นคนเจ็บก็เห็นตัวเองเจ็บเลยเห็นคนตายก็เห็นตัวเองตายเลยมันต้องเห็นแบบนี้มาถึงสะเทือนใจหมอที่อยู่กับคนเกิดแก่เจ็บตายแต่ไม่สะเทือนใจเลยเพราะหมอดูอยู่ที่รายได้มากกว่าเส้นเดือนเงินเดือนออกหรือเปล่าจะได้เอาเงินไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปใช้กัน ก็เลยอยู่กับเทวทูตสี่แต่ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรจากจา ก, การได้อยู่กับเทวทูตเลยไม่เคยให้เกิดสติขึ้นมาเลยไม่เคยเกิดปัญญาขึ้นมาเลย mm hmm. เกิดแต่กิเลสไป mm hmm. ทำที่ไหนดีกว่าเงินจะได้มากกว่าทำงานทาที่รัฐมันน้อยมีคนมาชวนไปทำเอกชนเดี๋ยวก็ไปลนะ หมอส่วนใหญ่ก็จะจะจะได้รับธรรมะได้เร็วขึ้นนะครับใช่ถ้าคิดถ้าเป็นคนที่ชอบคิดคนที่วิเคราะห์คนที่น้อมกับเข้ามาหาตัวเองก็จะได้ปัญญาก็ไม่ได้หมอว่าหมอทุกคนเป็นอย่างที่พูดแต่ผู้ที่จะเข้าถึงปธรรมะได้เร็วก็พวกหมอเนี่ยเพราะหมออยู่ใกล้กับธรรมะตลอดเวลาอยู่กับ การเกิดการแก่การเจ็บการตายตลอดเวลาเพียงแต่น้อมเข้ามาหาตัวเองเท่านั้นถ้าน้อมเข้ามาปับ๊บว่าตัวเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเดี๋ยวก็ไปแหละไปบวชกันไปปฏิบัติธรรมกันถ้าไม่น้องเข้ามาก็เป็นเรื่องของคนไข้ไม่ใช่เรื่องของเราเราก็มีหน้าที่รักษาเขาไป ก็จะมามัวมุ่งอยู่กับวิธีการค้นคว้าหาวิธีรักษาโรคภัยไข้เจ็บกันไปาวิธีพัฒนาการรักษาโรคภัยไข้เจ็บโดยไม่ได้มาคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายที่จะเกิดขึ้นกับตนเองอย่าง น, นี้ก็เลยไม่ได้รับประโยชน์ <S <S เหมือนทัพพีในหม้อกแกงอยู่กับแกงแต่ไม่รู้ว่าเป็นแกงอะไร ถ้าดูแล้วสะเทือนใจนี่เหมือนลิ้นกับแกงนะเพียงแต่หยดเดียวมาแตะที่ลิ้นก็รู้แล้วโอ้โหเป็นแกงอะไรแกงเผ็ดแกงจืดแกงหวานอร่อยรู้ไหมอร่อยนี่ ร, รู้ทันทีะรใจเราต้องทําให้เป็นลิ้นให้ได้สัมผัสกับความแก่ความเจ็บความตายแล้วมันจะต้องสะเทือนมันจะต้องสะดุ้งถ้ามันสะเทือนมันสะดุ้งสแสดงว่าเนี่ยลิ้นกับแกงและ เหมือนพระพุทเจ้าที่สะเทือนนะออกไปเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเป็นงครั้งเดีย ว, วนั่นเองสะเทือนใจอย่างยิ่งพ mm hmm. วกเรานี่เห็นกันทุกวันจนกระทั่งชินชาไปไม่รู้สึกอะไร mm hmm. แต่ทุกคนที่มานั่งอยู่ตรงนี้คิดว่าเป็นผู้ที่มีบุญมากเราจะผ่า mm hmm. ได้มานั่งใช่ถ้าธรรมาจากพระอาจารย์แล้วไม่ใช่มาฟังธรรมะจากเราเ mm hmm. พราะมีความสนใจในธรรม mm hmm. เพราะว่าถ้าไม่สนใจในธรรมก็ไม่มาอยู่ดีถ้าพ่อมาพ่อมีความสนใจทายินดียินดีในลดแห่งธรรมก็เลยทำให้มาหาธรรมกันมีวันนี้เข้ามาเท่าไหร่ทางเฟสทางเฟส b o o k สูงสุด424ค่ะทางยูท b e สูงสุด9 2ค่ะ วันนี้ต่างชาติเข้ามายังไม่มี ม, มนนีคำถามอะไรก็เปิดเข้ามาได้เนี่ยคำถามจากคุณต้นคุณค่ะตามที่ได้ฟังธํามจากพระอาจารย์ตอนที่ผมเห็นผู้หญิงสวยๆแต่ก็นึกขึ้นได้ว่าเป็นกล่องหออุจจาระนี้เป็นการนี้เป็นการวางใจเจริญสติหรือปัญญาครับปัญญาปัญญาว่าปัญญา ก็ต้องมีสติถ so ึงจะเจริญปัญญาได้แต่เห็นจริงหรือเปล่าเท่านั้นเองเห็นปุ๊บเดี๋ยวปั๊บก็ลืมนะตอนที่มันไม่หิวมันก็เห็นได้แต่เวลามันหิวมันอาจจะลืมก็ได้เวลาเวลาเวลาอิ่มมันก็เห็นอะไรก็เป็นอุจจาระไปหมดแต่พอเวลาหิวนี่ลืมไปแะเห็นอะไรอร่อยไปหมดน่ากินไปหมด จะคุณวิลาศินีค่ะดิฉันย์เคยทําให้ผู้หญิงคนหนึ่งเจ็บช้ำ น, น้ําใจโดยความที่เขาเข้าใจผิดและเขาได้เสียชีวิตไปแล้วและขณะเสียชีวิตเขาได้พยาบามอาฆาตมิฉันอย่างแรงมิฉันต้องทำบุญยังไงเพื่อให้ส่งให้เขาได้รับรู้เจ้าคะ่ะและให้เขาไปสู่ภพภูมิที่ดีเจ้าค่ะอ๋อเรื่องเขานี่เราทําอะไรไม่ได้หรอกเขาจะไปดีไม่ดี<ม>โดยหลักส่วนใหญ่แล้วอยู่ที่เขา พอเขาไปเป็นอะไรแล้วถ้าเขาไปเป็นเปรเราก็จะอุทิศบุญให้กับเขาได้แต่ก็าเขาไปตกนรกเขาไปเกิดเป็นเดชะนี่เราก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเราอุทิศไปเขาอาจจะไม่ต้องการก็ได้เหมือนคนที่เขาโกรธเราเกลียดเราแตเราจะซื้ออะไรไปให้เขาเขาก็ไม่ยินดีที่จะรับดังนั้นก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นเรื่องของวิบากไป ทำไปก็ดีเผื่อเขารับได้เผื่อเขาให้อภัยอาโหษสรแล้วแต่ถ้าเขาไม่ให้อภัยอาโหศิสร็จเราก็ต้องเตรียมรับกับวิบากเราเข า, เขาเจอเราเมื่อไหร่มีโอกาสที่จะแก้แค้นเมื่อไหร่เขาก็อาจจะทถ้าเขาจองเวรจองกรรมอยู่คำถามจากคุณวริษาค่ะคนที่ฟังทมทําบุญมากมาย แต่คนใกล้ตัวทําอะไรให้ไม่เคยเห็นความดีเลยเป็นเพราะอะไรเจ้าคะไม่รู้เหมือนกันนะต้องก็ไม่มองเราจะถือว่าเป็นเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องทําความดีกับเขาเขาอาจจะเห็นก็นได้คือแต่ก็อาจจะไม่แสดงออกก็ได้ค <c oughs> าถามจากคุณพิมพรค่ะคืนก่อนหนูนั่งสมาธิภาวนาพอหนูใช้บริกรรมตอนแรกจะว่าพุทธทางสระนัง พอจิตมันสงบแล้วแป๊บเดียวหนูก็เปลี่ยนเป็นพุทโธแล้วสักพักมันจะดิ่งลงไปแล้วใจมันก็ไปเห็นภาพที่หนูไปวัดที่หนูไปวัดนั่งฟังเทศแล้วเห็นคนใส่แต่เสื้อสีขาวและเห็นแสงเทียนแล้วมันเกิดสงบมีความสุขค่ะแต่พอ ท, ทันทีที่เกิดปิติแล้วมีน้ําตาไหลยอยู่ข้างในค่ะมีความรู้สึกได้ถามค่ะอย่างนี้จะเรียกว่าตกหลุมตกบอ่อใช่หรือไม่เจ้าคะ มันก็ต้องนิ่งสงบว่างถึงจะเข้าถึงสมาธิถ้ายังเห็นภาพเห็นปิติอะไรมีปิตินี้ก็ยังเข้าไปไม่ถึงที่ยังไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางถ้าถ้ายังไม่เข้าถึงว่ปาปัญาสงบนิ่งว่างเฉยแต่ว่ารู้ไม่มีอะไรให้รู้ให้เห็นถ้ายังไม่เข้าถึงจุดนั้นก็ต้องภาวนาต่อพุโทโธต่อไปรูลงต่อไป คำถามจากคนที่มีค่ะทุกวันคระจะไปทําบุญที่วัดถาวายอาหารแต่ไม่เคยรอพระฉันหรือรับพรเลยการทําอย่างนี้หรือว่าได้บุญไหมคะได้แล้วเพราะว่าพร น, นี่ไม่ได้เป็นบุญเราทํานี่เราทําเราทําเพื่อบุญทําแล้วพระจะให้พรไม่ให้พรเราก็ได้บุญแนละ้วพรนั้นเป็นเพียงแต่คําชมเชยเราเท่านั้นเองว่าอทําอย่างนี้ดีนะ ชีวิตจะได้จเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพาระเท่เไม่มีไม่มีผลต่อตัวเราโดยตรงเป็นคําชมเชยยกย่องเหมืนคํายอคําถามจากคุณคาวดีค่ะหญิงกับชายใครมีโอกาสได้มรรคผลนิพพานมากกว่าคะใครมีธรรมะมากกว่ามีกิเลสน้อยกว่าคนนั้นก็น่าได้มีโอกาสได้มรรคผลมากกว่าไม่ได้อยู่ที่เพศอยู่ที่ธรรม ชายมีสติมีศีลมีสมาธิมีปัญญามากกว่าคนนั้นก็มีโอกาสที่จะได้มากผลนิพพานมากกว่าเพศนี้ไม่เกี่ยวหญิงก็บรรลุได้ชายก็บรรลุได้เด็กก็บรรลุได้ผู้ใหญ่ก็บรรลุได้อยู่ที่ว่ามีศีลสมาธิปัญญาหรือไม่คําถามจากคุณบุตรกรค่ะเมื่อเริ่มทาสมาธิสติเหมือนสิ่งหนึ่งที่คอยควบคุมให้จิตรับรู้อยู่กับสิ่งหนึ่ง แยกอยู่ควบคุมอยู่เหมือนผู้คุมเมื่อทาสมาธิจนเหลือแค่ความรู้อย่อย่างเดียวกับไม่รู้สึกถึงผู้คุมหรือการควบคุมหรือแรงต้านของจิตที่จะวิ่งไปที่อื่นไม่ทราบว่าผู้คุมหายไปไหนผู้คุมคือสติหรือไม่ต้องพยายามตามหาผู้คุมนี้หรือไม่คะไม่ต้องหรอกเพราะผู้ที่ถูกควบคุมเขาหยุดก็เลยไม่ต้องควบคุมเขาความคิดรุงแต่งหยุดก็ไม่ต้องไปควบคุมอะไร ก็แสดงว่าจุดจิตสงบจิตนิ่งแล้วสักแต่ว่ารู้แล้วก็จบเหลือแต่ความรู้สักแต่ว่ารู้อย่างเดียวทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏก่อนหน้านั้นก็จะหายไปหมดคำถามจากคุณมนุษย์คือส่วนหนึ่งของธรรมชาติค่ะอยากให้พระอาจารย์ช่วยแนะนำวิธีการเอาชนะใจตนเองครับ <S 1> <S 1> ก็นียชนะด้วยสติก่อนเนี่ยสติหยุดความคิดให้ได้ก่อน เราหยุดความคิดได้เราก็ชนะใจเราได้ไปครึ่งหนึ่งแล้วพอจะคิดเราก็หยุดมันถ้าเราหยุดมันไม่ได้แสดงว่าเรายัางแพ้มันอยู่มันยังพอมันคิดแล้วมันก็จะสั่งให้เราไปทํานู่นทนํานี่เกิดความอยากขึ้นมาถ้าเราอยากจะหยุดความอยากเราก็ต้องใช้ปัญญาอีกตัวหนึ่งคําถามจากคุณรุ่งศิริค่ะทาบุญใส่บาตร ไปไหว้แล้วเอาเงินใส่ตู้ตามสถานที่ต่างๆอันไหนได้บุญเยอะกว่าคะเท่ากันอ่ะอยู่ที่ปริมาณเงินที่เราบริจาคไปแต่ประโยชน์ที่เราไปทำาปกับที่ต่างๆนี้อาจจะไม่เท่ากันถ้าไปทำที่โรงเรียนก็ได้ประโยชน์ทางการศึกษาถ้าไปทำที่โรงพยาบาลก็จะได้ประโยชน์จากาการรักษาดูแล ถ้าไปทําประโยชน์กับมูลนิธิเก็บศพก็จะได้ประโยชน์ในเรื่องของการเก็บศพเนี่ยอันนั้เป็นประโยชน์คือเงินที่เราให้ไปเขาจะได้ไปใช้ในในเรื่องราวต่างๆถ้าไปทางวัดก็จะเป็นการไปส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้มีการศึกษามีการปฏิบัติมีการเผยแผ่ธรรมถ้าไม่ทาบุญกับวัดก็ม่นจะไม่มีใครมาบวชไม่มี บวชแล้วไม่มีอาหารกินไม่มีที่อยู่อาศัยก็ไม่มีใครบวชกันก็จะไม่มีการศึกษาไม่มีการปฏิบัติไม่มีการเผยแผ่ธรรมคำถามจากคุณประหยัดค่ะนั่งภาวนาพุโทโธจนจิตสงบเบาสบายอยู่ถึงสามสิบนาทีเกิดครั้งเดียวจากนั้นมาไม่เกิดอีกเลยจะแก้อย่างไรครับก็ทำไปเรื่อยๆเลแล้วก็พิจารณาย้อนกลับไปดูว่าตอนที่เรานั่งแลามันงมสงบมัน มันสงบได้อย่างไรก็ทําแบบนั้นต่อไปอย่าไปอยากให้มันสงบแค่นั้นเองอย่าไปอยากให้มันเหมือนกับที่คราวที่แล้วเป็นความอยากไม่ได้ทําให้มันเป็นเพราะคราวที่แล้วเวลานั่งเราไม่ได้มีความอยากให้มันสงบเรานั่งเพราะเรามีสติกํากับใจเราควบคุมใจเราไม่ให้ไปคิดในเวลาเรานั่งใหม่เราก็ต้องควบคุมใจเราใหม่อย่าให้ใจคิดให้ใจอยู่กับเรื่องเดียว อยู่กับลมก็ได้อยู่กับพุทโธก็ได้อย่าอย่าไปหยาดอย่าไปคาดว่าเมื่อไรจะสงบสักทีเมื่อไรจะสงบสักทีใกล้หรือยังไม่ใกล้เนียวะอะไรเาไปคาดกันอย่างนี้ก็น mmm? ั่งไปจนวันตายก็ไม yeah ่สงบต้องพุทโธพุทโธพุทโธไปไม่รู้ไม่ชี้เหมนคนตาบอดเดินไปจะตกหลุมตกบ่อก็ปล่อยมันตกไปไม่ต้องไปคาดมันจะตกหรือไม่ตก พุทโธพุทโธไปดู ล, ลมไปเดี๋ยวมันก็ตกหลุมตกบ่อยคํคำถามจากคุณแยมค่ะเวลานั่งสมาธิ<ม>ได้ยินเสียงดังจะสะดุ้งตกใจหัวใจเต้นแดงมืนงงแก้อย่างไงคะ อ, อ๋อมันแก้ก็คือพอมันมันผ่านไปแล้วก็อย่าไปสนใจให้มันกลับมาอยู่ที่ความสงบต่อไปของนี้บางทีมันก็แก้ไม่ได้มั น, เ ป, นเป็นสัญชาตญาณมันเป็น ธรรมชาติของจิตเราพอมีอะไรมากระทบแรงๆมันก็จะมีปฏิกิริยาแต่เราสามารถใช้สติควบคุมมันให้หายไปแล้วก็ภาวนาต่อไปได้อย่าไปอยากให้มันไม่เกิดยิ่งอยากให้มันไม่เกิดมันยิ่งเครียดใหญ่ปล่อยให้มันเกิดมันจะเกิดเสียงมันจะดังมันจะสะดุ้งกให้ดูมันสะดุ้งสะดุ้งปั๊บปมันก็หยุดล้ะถ้าเรามีสติมันก็หยุดละแล้วต่อไปมันอาจจะไม่สะดุ้งก็ได้เพราะมันเคยชินมันดูแล้ว ใหม่มัไม่ชินมันก็เลยสะดุง้งต่อไปมันชินแล้วมันก็จะไม่สะดุง้งคำถามจากคุณพลพิทักษ์ค่ะถ้าเราขับรถชนสุนัขตายโดยไม่มีเจตนาเนื่องจากขับรถตอนกลางคืนสายตาสายตาสั้นมองไม่ค่อยเห็นอย่างนี้บาปไหมครับถ้าไม่มีเจตนาไม่มีความตั้งใจจะไปจะไปชนหมาก็ไม่บาปนะแต่เห็นหมามันเดินอยู่ข้างทางเลยวับเข้าไปหน่อยอย่างเงี้ก็บาป คำถามจากคุณขุนศึกค่ะเวลาเดินจงกรมท่องอิติปิโสดได้ไหมครับได้อิติปิโสสวดมนต์ไปก็ได้พุทธทางสานังกระชามิไปก็ได้สวดธรรมจักก็ได้อะไรก็ได้เพื่อให้ใจเราไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆคำ ถ, ถามจากคุณสุวรรณนาค่ะความฟุ้งในการเจริญภาวนาคือจิตที่ฟุง้งหรือความคิดที่ฟุ้งเจ้าคะจิตคือตัวคุมความคิดใช่ไหมเจ้าคะ มตตทำไมจะสนใจมันจิตเนยตัวคิดมันก็ตัวเดียวกันหมดแหละอย่าให้มันฟุ้งก็พอให้มีพุทธโทพุทธโทมันไม่จงไม่ต้องไปวิเคราะห์ตัวฟุง้งวิเคราะห์วิธีที่จะทำให้มันฟุ้งดีกว่ามีประโยชน์กว่ามันฟุ้งแล้วเราทำไงให้มันไม่ฟุ้งเราทำแบบนั้นดีกว่าไม่ต้องมารู้ว่าตัวไหนฟุง้งเ <laughs> สียเวลาเปล่าๆคาถามจากคุณอภิรุตค่ะ อยากให้พระอาจารย์แนะนาวิธีการเดินจงกรมเช่นใช้วิธีท่องพุทโธแล้วเดินตามสบายหรือให้กำหนดรู้อยู่กับการเดินหรือกำหนดอย่างไรดีครับแล้วแต่เราจะถนัดเดินแล้วก็จะพุทโธพุทโธไปก็ได้หรือเดินดูเท้าเราก็ได้ซ้ายขวาซ้ายขวาไปขอสำคัญอยากให้เราไปคิดในเรื่องอื่นก็แล้วกันให้อยู่กับพุทโธให้อยู่กับ ก, บการดูเท้าไป คำถามจากคุณชนะตนค่ะเราต้องเข้าใจใจรัก์ทุกตัวอย่างของแท้ใหม่ครับเวลาที่เราเจอปัญหาเรานึกถึงอนัตตาทําให้วางได้ง่ายกว่านึกถึงทุกขังหรืออนิจจังเลยชอบพิจรารณาอนัตตามากกว่าตัวอื่นค่ะก็แล้วแต่กรณีบางทีถ้าอนัตตามันไม่บ่อยก็ต้องดูอนิจจังถ้าอนิจจังไม่ปล่อยก็ต้องดูทุกขังมันไม่แน่บางทีเห็นตัว เห็นตัวทุกขังก็ปล่อยบางทีเห็นตัวอนิจจาก็ปล่อยบางทีเห็นตัวหน้าตาก็ปล่อยแล้วแต่กรณีเช่นเห็นทุกขเวทนาเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเห็นว่ามันอนิจังมันก็ยังไม่ปล่อยเห็นว่าเดี๋ยวมันก็หายแต่ตอนนี้มันไม่หายมันยังอยากให้หายอยู่มันก็ต้องเห็นอนาิตจาว่า อ, อ๋อไปอยากให้มันหายไม่ได้มันไม่เอามหายตามคำอยากของเราเราไปสั่งมันไม่ได้ มันเป็นอนัตตาเมื่อมันไม่หายก็ต้องอยู่กับมันไปอันนี้ก็ต้องดูอย่างนี้ถ้าอยากให้สิ่งที่หายไปนี่มันต้องมองว่าเป็นอนัตตาถ้าอยากจะให้สิ่งที่อยู่นี่ไม่ไปนี่ต้องเห็นอนิจจาเช่นอยากให้แฟนอยู่กับเราไม่อยากให้จากเราไปนี่เราก็ต้องเห็นอนิจจาเห็นว่าก็ต้องจากเราไปไม่ช้าก็เร็วอางนี้ก็ต้องเห็นอนิจจาแล้วแต่ว่าเราเรา แล้วแต่ก็ น, นีอว่ามันมันมันควรจะใช้อย่างไหนก็ลองใช้ดูเอาคำถามจากคุณคัชรลกสิทธิ์ค่ะคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้มักพูดกันว่าศาสนาไม่จําเป็นต้องมีไม่มีศาสนาก็สามารถเป็นคนดีได้จริงไหมครับยังคนบ้านเมืองเราเป็นคนดีเต็มไปหมดแล้วในขณะมีศาสนายังไม่ดีเลยแล้วไม่มีศาสนามันจะดีเหม ก็มันก็จะเป็นเหมือนพวกเดรัจฉานเนี่ยดีแบบเดรัจฉานเนี่ย่เดรัจฉานเขาก็ไม่มีศาสนากันก็จะดีแบบนั้นอ่ะเพราะไม่รู้ว่าความดีนั้นมีหลาในหลายระดับด้วยกันงแต่คิดว่าอยู่ด้วยกันไม่กัดกันก็ถือว่าดีนะคาถามจากคุณน้องนางค่ะ ตอนนี้ผิดหวังความรักไม่รู้จะเริ่มตัวไหนก่อนค่ะก็ตัวทุกเลยถ้าผิดหวังก็ทุกใช่ไหมเนี่ยความรักทาให้เราทุกต่อไปก็อย่าไปรักใครแล้วต่อไปก็จะไม่ทุกไม่ใช่พอทุกวันนี้เดี๋ยวก็ลืมเดี๋ยววันหน้าก็รักใหม่ลืมองถามจากคุณบุตรกรค่ะ <c oughs> เมื่อจิตไม่วิ่งไปมานิ่งอยู่จึงไม่จาจึงไม่จาเป็นต้องมีผู้คุมคอยคุม ถ้าเชนนั้นสติก็เป็นอนัตตาหรือไม่คะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยหรือมันมีอยู่ตลอดแต่ไม่ได้ทําหน้าที่ของมันคะออไม่ต้องไปสนใจว่ามันเป็นอะไรขอให้มันอยู่ก็แล้วกันขอให้มันมีคอยควบคุมใจเราได้ก็ใช้ได้ไม่สําคัญจะต้องไม่รู้ว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือไม่ขอให้ขอให้รู้ว่ามันมีหรือเปล่าเท่นั้นก็พอถ้าไม่มีก็ทําให้มันมีขึ้นมาเนี่ยไปดูตายรักในเรื่องที่ไม่ควรจะดูเนี่ย สติเนี้ยไม่เราไปดูว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังหน้าตาหรือเปล่าสมาธิปัญญามันจะเป็นนิจจังทุกขังหน้าตาหรือเปล่าเมื่อจาเป็นจําเป็นก็คือว่ามันมีหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ทําให้มันมีขึ้นมาคําถามจากคุณโมนี่ค่ะจะมีวิธีวางใจยังไงคะเมื่อเห็นข่าวสัตว์เช่นสุนัขแมวถูกทําร้ายอย่างทุกขารมานค่ะ เวลาเขาฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าวัวค่าควายไม่เห็รู้สึกทรมานเลยพอเห็นสุนัขแมวโดนหน่อยทรมานมันมองยังไงอ่ะเวลากินเป็ดกินไก่ไปกินไก่ย่างไก่เยื่งอะไรกันว่ามันทรมานสัตว์กันเลยแต่ว่ากลับกลายเป็นอาหาราอร่อยไปนี่ถ้ากินหมากินแมวได้ก็คงยังไม่ เรากินไม่ได้แล้วมันอะไรท ร, ทรมานใจก็ลอง เ, เอามากินดูหน่ยอยลองกินหมากินแมวดูต่อไปมันก็จะได้ไม่รู้สึกทรมานใจเพราะตอนนี้เรากินเป็ดกินไก่กินปลากินกุ้งเราก็ไม่รู้สึกทรมานใจใช่ไหอถ้าไม่อยากจะทรมานใจก็เอามันมากินนะ <c oughs> เอามาเป็นอาหารนะคาถามจากคุณรัชเลสค่ะหาผู้มีสินแตก ถูกหรือสัมผัสจับเพศตรงข้ามโดยไม่เจตนาถือว่าผิดไหมครับถ้าไม่เป็นเจตนาก็ไม่ผิดะแต่ก็ไม่ควรอยู่ใกล้กันเดี๋ยวมันเหมือนน้ากับไฟถึงแม้จะไม่มีเจตนาถ้ามันเจอกันพับมันก็ลุกขึ้นมาได้ท่านถึงแยกที่อยู่กันของผู้หญิงผู้ชายหอหญิงหอชายไม่อยู่ใกล้กันเหมือนไฟกับน้ำน้ามันไยอยู่ใกล้กันแล้วเดี๋ยวมันลุกลุกขึ้นมา คำถามจากคุณซลค่ะทำบุญอย่างไรทำจิตอย่างไรจึงจะได้ไม่มาเกิดเป็นคนอีกคะก็ลองไปบวชเนี่ยแล้วก็จเจริญสติสมาธิปัญญาถือศีลหยุดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจก็จะไม่กลับมาเกิดอีกต่ อ, ตอไปคำถามจากคุณอ้อค่ะเวลานั่งภาวนาพุโทโธไปเรื่อยๆ รักพักจิตคิดไปถึงเรื่องอื่นแต่ลูกไม่หยุดภาวนาพุโทโธจะต้องทํายังไงต่อเจ้าค่ะ ก, ก็ต้องพุทโธไปเรื่อยๆจังการจิตจะสงบนะควรจะพุทโธทก่อนที่เรามานั่งไม่ควรปล่อยให้คิดพอถึงเวลามานั่งมันก็จะไม่หยุดคิดง่ายๆแต่ถ้าเรามีพุทโธก่อนที่เรามานั่งมันก็หยุดคิดไว้ก่อนแล้วพอมานั่งมันก็จะไม่คิดแล้วมันก็จะสงบง่ายสงบเร็วสงบได้นาน คำถามจากคุณเฉลิมพลข้อที่หนึ่งค่ะการเจริญสติโดยการเดินจงกรมการเดินแบบช้าๆหรือเร็วๆจะเหมาะสมกว่ากันครับแล้วแต่ความถนัดแล้วแต่โอกาส<ม>บางเวลาถ้ามันง่วงก็จะเดินให้มันเร็วหน่อยมันจะได้หายง่วงบางเวลามันเหนื่อยมันเพลยงไม่อยากจะเดินเร็วก็เดินช้าได้อยู่ที่กำลังของร่างกายแต่ใจเหมือนเดินใจต้องมีสติเหมือนเดิม ให้กำกับควบคุมความคิดไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆข้อที่สองค่ะการชมการชมคลิปนกแร้งรุมจิตกินซากศพที่ทิเบตเป็นการพิจารณาอสุภะหรือเปล่าครับก็แล้วแต่เราเราจะพิจารณาอย่างไงก็ได้ถ้าจะพิจารณาต้องพิจารณาซากศพคนถึงเนี่เป็นอสุภะเพราะสัตว์เหล่านี้มันไม่ได้ทําให้เราเกิดตัณหาความอยากที่จะเสพการับ เราต้องพิจารณาร่างกายของคนที่น่ารักน่าดูน่าชมแล้วกลายเป็นซากเป็นศพไปอย่างนี้มันจะทำให้เราปลงทำให้เราตัดความอยากที่จะเสพกามกอกเขาได้คำถามจากคุณพิมพรค่ะถ้าเรามีความเพียรแล้วใจของเรามีอุเบกขาแล้วถ้าเวลานั่งสมาธิแล้วจิตและใจมันสงบง่าย และไม่มีทุกขเวทนาใช่ไหมคะหนูเข้าใจผิดไหมคะก็สงบมันก็ไม่มีเวทนาที่มันมีเพราะมั น, น ไ, ไม่สงบนั่งไปแล้วไม่สงบเดี๋ยวร่างกายมันก็แสดงทุกขเวทนาขึ้นมาถ้ามันสงบมันก็ไม่ไปรับรู้เรื่องทุกขเวทนาของร่างกายมันก็เหมือนกับไม่มีแม้ว่ามีมันก็เหมือนกับไม่มีคำถามจากคุณน้อยนาค่ะคนที่ชอบตีเตียนคนอื่นทั้งๆ ท, ที่เขาทาดี อย่างนี้ถือว่าเขาทาบาปใหม่เจ้าคะเป็นการกระทำที่ไม่เปิดไม่เกิดประโยชน์กับตนเองคราบจะเล่าสอนให้เตือนตนอย่าไปับอย่าไปเตือนคนอื่นให้ดูตนให้ดูความผิดถูกดีชั่วของเราอย่าไปดูความผิดถูกดีชั่วของคนอื่นโดยเฉพาะอย่าไปตำหนิติดเตียนถ้าไม่ใช่หน้าที่ของเราถ้าเป็นหน้าที่เป็นครูอาจารย์เป็นพ่อเป็นมากแม่ก็จาเป็นจะต้องคอยตาหนิติดเตียน สั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาสั่งสอนลูกหลานแต่ถ้าไม่ใช่เป็นหน้าที่เราก็ไม่ควรที่จะไปเกี่ยวข้องไปสนใจเขาช่วยมาดูความผิดของเราดีกว่ามาตําหนิตัวเราดีกว่าเพราะถ้าเราตําหนิตัวเราเราจะได้แก้ตัวเราเออเรานี่ไม่ดีเลยนะปากมากหยุดซะอต่อไปเราก็จะไม่มีปากมากต่อไปก็จะไม่มีใครเกลียดเราเจ อ, อ เ, เราทีไรก็ปาก กลาบไปซ้ายขวาเหน่นิ่งๆเฉยๆแล้วจะกลายเป็นคนที่น่ารักขึ้นมาข้อที่สองค่ะทำไมคนที่ชอบอ่านหนังสือธรรมะแต่จึงยังมีมิจฉาทิฐิอยู่คะก็ะไม่รู้เห ม, มือนกันอ่านแบบทับเพีในหม้อแกงว่าอ่านแล้วไม่เข้าใจคำถามจากคุณอัครวัต์ค่ะถ้าเราฝันแล้วความฝันที่มันจะเป็นจริงไหมาตามคำทำนาย ที่เขามีกันมาหรือเชื่อถือไม่ได้คะเออพิสูจน์เอาซิคนบางคนฝันแล้วมันจริงอะไรฝันเห็นเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็โผล่ขึ้นมาเรื่องท้ายสองตัวอออกแล้วเหมือนกับที่ฝันเป๊ะเลยอย่างนี้ก็ต้องพิสูจน์ไปอย่าพอย่เพิ่งไปอย่าไปเชื่อคนเดียวเพราะว่ามันอาจจะฟุปก็ได้นถ้าฝันสิบครั้งแล้วถูกสิบครั้งเนี่แสดงว่าเนี่ยความฝันของเราเป็นจริงแล้ว เชื่อได้แล้วลาออกจากงานได้แล้วมานริ่งทําอาชีพอแทงเล่นทางทางเบอร์ได้แล้ว่วยแน่ๆก <c oughs> ็ออย่าไปเชื่ออะไรเพราะท่านเจ้าบอกการลามาสูตรอย่าไปเชื่อเพราะเขาพูดอย่างนั้นเขาพูดอย่างนี้อย่าไปเชื่อเพราะเขาเป็นอาจารย์เราอย่าไปเชื่อเพราะเชื่อกันมาอย่าไปเชื่อเพราะว่ามีแนวโน้มน่าจะเชื่อถือะ ไปพิสูจน์ก่อนว่ามันจริงหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวถูกหลอกไม่ใช่อะไรหรอกต้องพิสูจน์ก่อนว่าจริงอย่างที่แล้วเขาพูดเขาว่าหรือเปล่าแต่เขาไม่จริงเราจะได้ไม่ถูกหลอกกันแต่ไม่ให้ปฏิเสธไม่ให้เชื่อแต่ก็ไม่ให้ปฏิเสธเช่นคําสอนพุทเจ้านี้ท่านก็ไม่สอนให้เราเชื่อทันทีทันใดแต่ท่านก็ไม่ให้เราปฏิเสธท่านต้องการให้เราไปพิสูจน์ะ เอาคำสอนของพระเจ้าวาเนี่ยสติดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ไปพิสูจน์ดูซิว่าดีจริงหรือเปล่านี่คือความหมาย เ, าเวลาเราเห็นอะไรได้ยินอะไรสัมผัสกับอะไรอย่าไปเชื่อว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทันทีใช้เวลาพิสูจน์ดูคาถามจากคุณอัครวัตรค่ะถ้าเราจะไปทาหมันให้หมาที่เพิ่งจะผสมพันธุ์ไม่เกินเจ็ดวันจะบาปไหมคะ บางคนบอกว่ายังไม่เป็นตัวเป็นตนอะไรค่ะอ๋อทําหมันเพื่อกันไม่ให้ตัวที่เป็นมันทําไม่ได้เปนคนเราเลือกันไม่ใช่ทําหมันเพื่อกันไม่ให้ตัวที่อยู่ในท้องเกิดเหรอมันเป็นะสมพันธุ์กันแล้วค่ะอ๋อเรื่องไหนก็ไปทำอ๋อก็เป็นผสมพันธุ์แล้วก็เรื่องของผสมพันธุ์ไปทําหมันก็เรื่องทําหมันไปผสมพันธุ์แล้วทําหมันก็ไม่ได้ไปห้ามมันไม่ให้มันเกิดถ้ามันถ้ามันตั้งท้องก็ยังเกิดได้อยู่ใช่ไหม ถึงแม้ว่าจะทำหมันอยู่มันก็เกิดได้การทำหมันนี้เพียงแต่ป้องกันไม่ให้เกิดการตั้งท้องเท่านั้นเองแต่ไม่ได้ไปยุติการตั้งท้องไม่ใช่เลยก็ถามว่าถ้าเกิดถัาผสมพันกันไปแล้วเจ็ดวันสัตว์ผสมไปเจ็ดพันน่าไปทำหมันนี้จะบาปไหมหึืนจะไปทำให้ไอตัวที่เขาผสมพันเกิดอยู่ในท้องนี่จะตายหรือเปล่า ไม่บาปคนละเรื่องกันนะแต่หนูเคยได้ยินว่าถ้า<ม>ถ้าทำหานแล้วจะคลอดไม่ได้อ๋อคลอดไม่ได้คล อ, อไไดไม่ได้ก็ตายสิ<ม>ตายทั้งแม่มาตาย<ม>ทั้งลูกก็แบบอันนี้ถ้าทำไม่ตายก็<ม> ก, ก็ก็บาปคำถามจากคุณซีอิวค่ะจะหันเริ่มจะหันหน้าเข้าวัด เมื่อวานกับผมไปสวดมนต์เย็นที่วัดแห่งหนึ่งแล้ววันนี้มาฟังธรรมจากพระอาจารย์อยากถามว่าปฏิบัติการสวดมนต์อย่างไหนได้อันส่งผลบุญมากกว่าครับก็สวดมนต์ก็เป็นการปฏิบัติอย่างหนึ่งปฏิบัติก็เป็นการปฏิบัติเหมือนกันนั่งสมาธิบางทีก่อนจะนั่งสมาธิได้ก็ต้องสวดมนต์ก่อนเพราะใจยังฟุ้งอยู่ฟุ้งแน้วดูลมไม่ได้พูดโธไม่ได้ ก็เลยต้องใช้การสวดมนต์หยุดความฟุ้งก่อนงั้นการสวดมนต์ก็เป็นการปฏิบัติเบื้องต้นจากคุณโตมร น, นะครับผมเป็นคนกลัวผีความมืดเวลานั่งสมาธิกลางคืนก็กลัวแต่นั่งกลางวันไม่กลัวทําอย่างไรผมถึงจะหายกลัวครับ <c oughs> ก็ยอมตายเท่านั้นแหละ <c oughs> อยอมตายแล้วมันก็หายกลัว จากคุณกมลวันนะครับการสวดมนต์ทุกครั้งจําเป็นต้องรับศีลก่อนไหมคะไม่จําเป็นล่ะก่อนละเรื่องกันเรื่องศีลก็เรื่องศีลเรื่องสวดมนต์ก็เรื่องสวดมนต์จะคุณชนะตนนะครับการวัดความเจริญก้าวหน้าของสติคือเราจะคิดน้อยลงเรื่อยๆ <c oughs> และอยู่กับตัวรู้ขึ้นเรื่อยๆทุกกับความคิดน้อยลงถูกไหมคะใช่อยู่กับตัวรู้สักแต่ว่ารู้อยู่กับปัจจุบัน ใ, นใจจะไม่ไปอดีตไม่ไปอนาคต ข้อที่สองสติอัตโนมัติคือการมีตัวรู้อยู่ตลอดเวลาทุกอิริยาบถคือไม่เพอไงไม่เพอสติคำถามจากคุณต้นคุณค่ะกระผมตื่นประมาณตีสามตีสี่ทุกวันตื่นนอนปุ๊บผมนั่งสมาธิเลยจนรู้สึกว่านั่งไปแล้วไม่สงบผมก็เลยมาเดินจงกรมต่อปฏิบัติแบบนี้ถูกต้องหรือเปล่าครับก็ถูกต้องแต่ยังไม่ได้ผล นั่งแล้วควรจะให้มันสงบถ้าไม่สงบก็สแสดงว่าสติเรายังไม่มีกำลังมากพอนั่งเรายังปล่อยให้จิตคิดพุ่งซ้ำได้พยายามฝึกสติให้มากขึ้น <Yeah. S 1> เวลาไพยายามฝึกสติทุกเวลานาทีไม่ใช่แต่เฉพาะเวลาเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิครจะฝึกตลอดเวลาไม่ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ให้มีสติอยู่กับงานที่เราทา หรือให้มีพุทธอยู่กับพุทโธไปคำถามจากคุณพรนิพาค่ะนั่งสมาธิจนคําบริกรรมหายไปด่างกายหายไปสว่างสง บ, บนิ่งอยู่นานจะทําอย่างไรต่อคะ <c oughs> อย่างนี้ <c oughs> อย่างนี้จะถึงเป้าหมายคืออัปนาสมาธิหรือยังคะก็ยังไม่ได้พูดอีกคำหนึ่งเนี่ยที่ขาดก็คือรู้สึกว่ามีความสุขเมาอเกินะ ถ้ายังไม่มีความรู้สึกนี้ก็ยังไม่ใช่ยังเป็นของปลอมอยู่ถ้ามันสงบว่างเราเย็นสบายมีความสุขแล้วมันจะอยากนั่งสมาธิไปเรื่อยๆจนวันตายมันจะไม่อยากได้อะไรแล้วอย่างนั้นอะ่ะถึงจะเรียกว่าเป็นสมาธิจริงจะคุณพลพิทักษ์นะครับผมโมทนาบุญยินดีในบุญที่คนอื่นได้ทำผมจะได้บุญไหมครับก็ได้บุญจากการอนุโมทนาไลก็คือเราดีใจ ไปกับเขาเช่นบางทอาีอยู่ในการสามีภรรยาอยู่ร่วมกันใช้เงินกระเป๋าเดียวกันภรรยาชอบทาบุญถ้าสามีไม่ชอบเวลาภรรยาไปทาบุญก็อาจจะทุกข์แทนที่จะสุขแต่ถ้าอนุโมทนาก็จะไม่ทุกข์กับการทาบุญของภรรยาคำถามตกข้าจะพูณชนะตนนะครับข้อที่สามคนมีสติตลอดเวลาถึงแม้เป็นอัลไซเมอร์ ตายไปก็ไปพบภูมิที่ดีใช่ไหมคะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าเอาใจเมื่อเป็นเรื่องของร่างกายมันไม่ใช่เรื่องของใจจากคุณส้มชีสนะครับการฝึกสติเป็นการภาวนาตลอดตลอดใช่ไหมคะ้ะเรียกว่าเป็นการภาวนาก็ได้ตอนนี้คําถามหมดก็เลยเอาคําถามนี้นะครับแล้วคุณจันลักนะครับพี่ชายจะเอาบ้านของพ่อไปจํานองธนาคารเพื่อไปซื้อที่ดิน แต่โยมพยายามห้ามไว้บอกพ่อว่าให้เก็บไว้เผื่อไม่สบายขึ้นมาแต่พ่อกับแม่ไม่ยอมฟังเจ้าค่ะที่จะไปขายก็ยินดีถ้าเ ป, เป็นเรื่องของพ่อของแม่เขาอยากจะทําอะไรเราก็เนี่ยเห็นไหมก็ต้องอนุโมทนาไปเราก็จะได้ไม่ทุกข์ไปกับการกระทําของเขาถ้าเราไม่อนุโมทนาเราก็จะทุกข์ทั้งๆั้งที่มันไม่ได้เป็นของเราเป็นของพ่อของแม่พ่อแม่ก็อยากจะไปทําอะไรก็ ควรจะชื่นชมยินดีกับการตัดสินใจของเขาไปพักสักเดี๋ยวก็ได้คัเมริกายากจะถามลงไห ม, มเดี๋ยวก็มีคนส่งข้อความเข้ามาอันนี้จะได้มีเวลาหายใจบ้าง <c oughs> อับลัวเลย ก็พูดมาทุกวันถามมาทุกวันไม่รู้เบื่อกันหรือเปล่าไม่เบื่อนะคำถามถึงแม้ว่าจะคล้ายๆกันมันก็มีอะไรถึงแม้จะเป็นอันเดียวกันแต่เราลืมไปแล้วคำถามที่เขาถามมันก่อนลืมไปแล้วก็เลยต้องฟังบ่อยๆย้ําบ่อยๆนี่นี่คือส่วนหนึ่งของการฟังธรรมก็คือถ้าสิ่งใดที่เราเคยได้ยินแล้วถ้ารเราได้ยินซ้ําขึ้นไปเราก็จะได้ความเข้าใจที่ดีขึ้นตามลําดับ ก็ยังฟังคนเดียวบางทีมันไม่ร้องอ๋อต้องฟังไปพักหนึ่งอ๋ออ๋อเป็นอย่างนี้เองเนอะมาหรือยังจากคุณขุนศึกนะครับสามีไปใส่บาแต่ภรรยาทำกับข้าวให้แต่ไม่ได้ไปด้วยกันจะได้บุญทั้งคู่ไหมครับถ้าเป็นของของทั้งสองคนก็ได้ทั้งสองคนถ้าเป็นของคนใดคนหนึ่งก็จะคนนั้นก็จะได้ไปคนที่ไปช่วยก็ได้บุญอีกอย่างคือได้ ได้บุญจากการช่วยเหลือผู้ใช้เอาอาหารไปใส่บาตรให้เขาเพราะเขาอาจจะไม่สะดวกที่จะไปเองแต่อาหารนี่ไม่ได้เป็นของคนที่เอาไปใส่บาตรคนที่เอาไปใส่บาตรก็จะได้เพียงแต่ได้รับใช้ผู้ได้บุญที่เกิดจากการช่วยเหลือรับใช้ผู้เลยส่วนคนที่เป็นเจ้าของอาหารนั่นหละคนนั้นจะได้บุญที่เกิดจากการทาัาทาน จะคุนรันทนานครับการแก้กรรมที่ไม่ดีของเราตามหลักพระพุทธเจ้าทำได้อย่างไรเจ้าคะกรรมนี้แก้ไม่ได้ทำไปแล้วก็ต้องรอรับผลนั่นนั่นเองวิธีแก้ก็คือกรรมใหม่อย่าไปทำเมื่อไม่ทำกรรมใหม่ก็จะไม่มีผลของกรรมใหม่ปรากฏขึ้นมาจะคุณพลพิทักษ์นะครับถ้าเรามีความอยากเป็นโสดาบันความอยากนี้เป็นกิเลสไหมครับ ไม่เป็นหรอกถ้าเร า, เาถ้าเราปฏิบัติถ้าเราไม่ปฏิบัติมันก็จะเป็นกิเลสอยากแล้วแต่ไม่ปฏิบัติมันก็จะทำให้เราทุกข์เพราะว่าเราไม่ได้เป็นแต่ถ้าเราอยากแล้วเราปฏิบัติแล้วเราก็จะได้เป็นถ้าเราไม่อยากเราก็จะไม่ได้ปฏิบัติกันกุลพีโกนะครับถ้าทําบุญรักษาศีลตายแล้วไปสวรรค์หลังจากใช้บุญในสวรรค์หมดกลับมาเป็นคนต่อวนเวียนอย่างนี้จะทาอย่างไร ถ้าไม่ให้วนเวียนตายเกิดแบบนี้ก็ต้องทำบุญขั้นที่สามที่สี่ไนั่งสมาธิพอนั่งสมาาทิได้ก็จะเจริญปัญญาตัดความอยากต่างๆได้พอตัดความอยากต่างๆหมดไปในใจก็จะไม่มีตัวที่จะมาดึงใจให้กลับมาเกิดอีกต่อไปมีบางท่านบอกมาว่าฟังให้ตายไปข้างเลยเจ้าพระฟัง <c oughs> อะไรให้ตายฟังธรรมะ <c oughs> อ้อไม่เบื่อนไม่ตายไยขอให้กิเลส ต, ตายฟังธรรมนี้เพื่อให้กิเลส ต, ตายคนจตายคข้ตตาจะคุณอ้อนะครับลูกว่าฟังธรรมไปด้วยทำงานไปด้วยจะไม่ค่อยได้ทำแต่ลูกก็อดที่จะฟังไม่ได้แบบนี้เรียกว่ากิเลสไหมคะ ก็ไม่เป็นกิเ์หรอกความยินดีในธรรมป็นมักแต่ว่าถ้าฟังด้วยทำงานไปด้วยมันจะได้ไม่เต็มร้อยเพราะใจมันต้องแบ่งไปที่งานแบ่งมาที่ฟังก็เลยไม่ได้เหมือนจับปลาสองมือดีไม่ดีก็หลุดไปทั้งสองตัวเลยจับมือซ้ายมือขวาจับไม่มั่นใช่ไหมพอ พอปลามันเด่นหน่อยก็เลยลดดเป็นทั้งสองตัวเลยซูจับมือเดียวซับจับจับปลาตัวเดียวสองมือจับดีกว่าจะได้อย่างน้อยจะได้ถ้าทางานก็จะได้งานถ้าอยากจะเอาทําก็หยุดทํางานเอาตอนตอนที่เราไม่ได้ทํางานก็มาฟังธรรมดีกว่าทําอะไรให้มันจดจ่ออยู่กับเรื่องเดียวมันจะได้สติด้วยถ้าทำสองอย่างเนี่ยมันจะไม่ได้สติใจมันจะแตกเป็นสองไหนไหนจะฟังธรรมไหนจะทํางานมันไม่ดีทํา ทำทีละอย่างทําทีละเรื่องดีกว่าจะคุณหน่อยนะครับคําภาวนาจะเปลี่ยนได้ใช่ไหมคะถ้าสังเกตว่าทําแล้วจิตสงบเพราะสังเกตต้องเปลี่ยนเพื่อสู้กับกิเลสตัวเองถ้าทําแล้วให้มันสงบก็ใช้ได้ตอนต้นอาจจะใช้การสวดไปก่อนสวดไปแล้วรู้สึกพอเย็นสบาย <c oughs> เหนื่อยไม่อยากจะสวดก็ดูลงต่อก็ได้หรือพุโทโธไปก็ได้ จะคุณพลพิทักษนะครับการถวายสังฆทานได้บุญมากกว่าการให้ทานปกติไหมครับคือบุญที่ให้ได้เท่ากันไม่ว่าอย่างที่บอกอยู่ที่เงินที่เราถวายถวายร้อยหนึ่งถวายให้เป็นสังฆทานหรือถวายให้กับบุคคลมันก็ได้บุญเท่ากันแต่ประโยชน์ที่เกิดนี้กับผู้รับนี้ต่างกันถ้าถวายให้กับสัง ถ, ถวายสังฆทานนี้แสดงว่าถวายให้กับพระทุกรูปในว่า ไม่ได้ถวายให้กับพระรึหนึ่งรูปใดก็เป็นการสนับสนุนพระทั้งวัดแต่ถ้าถวายให้กับพระรูปเดียวก็แสดงว่าสนับสนุนพระองค์เดียวพระองค์อื่นไม่สนับสนุนพระองค์ไม่มีคนสนับสนุนเดี๋ยวก็เสื่อมกันไปเพราะอยู่ไม่ได้พระเจ้าเลยสอนให้ถวายให้กับพระทั้งวัดสังฆทานเพื่อจะได้มีพระอยู่เยอะๆจะได้มาช่วยเผยแผ่าศาสนากัน ศาสนาถึงยังอยู่ได้ห้าพันปีเนี่ยท่านหมายความว่าอย่างนี้การถวายสังฆทานึนเพื่อทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาถ้าถวายให้กับบุคคลถวายพระพุทธเจ้าคนเดียวพอพระเจ้าตายไปก็จบไม่มีใครจะมาทํางานต่อเพราะไม่มีใครได้เงินเดือ น, นมีแต่พระพุทธเจ้าได้เงินเดือนคนเดียวคนอื่นมาบวชแล้วไม่ได้เงินเดือนก็อดตายแล้วโอดตายก็ต้อจะบวชไปทําไมเอต้องทําบุญ ถวายเป็นสังฆทานไปแล้วาศาสนาจะเป็นประโยชน์กับาศาสนาแต่เงินของเราที่เราทํานี่เราได้บุญเท่ากันเราทำร้อยบาทถวายให้กับพระพุทธเจ้าหรือถวายให้กับสงฆ์มันก็เราก็ได้บุญแค่ร้อยบาทเท่านั้น <c oughs> จะคุณขุนศึกนะครับเวลาเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิตั้งเวลาได้ไหมขอรับตั้งสติจะดีกว่านะอย่าไปตั้งเวลาแ <c oughs> ต่มาพุทธกาลไม่มีเวลาไม่มีนาฬิกาเขาจะทำยังไง ก็ไม <c oughs> no. so, ่ตั้งก็ไม่สนใจกับเรื่องเวลาหรอกเขสนใจกับเรื่องสติเพราะนาฬิกาไม่ได้ทําให้ให้เราได้รับผลสิ่งที่จะทําให้เราได้รับผลก็คือสติฉันขอให้มาตั้งสติกันอย่าไปตั้งนาฬิกาคําถามจากคุณนันทนานะครับพกของเทวดาหรือพรมยาวเป็นพันๆปีใช่ไหมครับถ้าเราไปเกิดที่นั่นเมื่อไหร่จะได้นิพพานเจ้าค่ะ เกิดเป็น ม, มนนะุษย์ใช้เวลาไม่เกินร้อยปีจริงไหมคระอ๋อไปสวรรค์ก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ยังไปไม่ถึงนิพพานโดยอัตโนมัติต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์มาเจอพระพุทธเจ้ามาเจอพระธรรมพระสงฆ์แล้วมาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาให้ครบบริบูรณ์ถึงจะสามารถไปถึงพัญนิพานได้จากคุณนิตยานะครับเงินของผู้เสียชีวิตไปแล้วเราเอาเองินของเขาไปทําบุญให้เขา จะได้รับบุญที่เป็นเงินของเขาไหมคะเขาไม่ได้หรอกแล้วเราก็เอาไปทําก็อาจจะไม่ได้เพราะถ้าไม่ได no ้เป็นเงินของเราแล้วเขาไม่ได้ให้เราก็เลยไม่รู้ว่าใครได้เพราะมันไม่ได้เป็นเงินของเราเป็นเงินของเขาแต่เขาไม่ได้ให้เราเขาไม่ได้สั่งไว้ว่าเขาจะให้เอาเงินนี้ก็แล้วแต่ว่าตามตามหลักกฎหมายจะกลายเป็นของใครไป เราก็มีกฎหมายว่าถ้าพี่ตายก็เป็นของพ่อของแม่ไปถ้าลูกตายก็เป็นของพ่อของแม่ไปถ้าพ่อแม่ไม่อยู่ก็เป็นของพี่ของน้องไปคนที่ได้เงินนั้นไปแล้วไปทำบุญเขาก็จะได้บุญเพราะเป็นเงินของเขาแล้วจะคุณบุญยานีนะครับโยมบวชทำงานตามปกติไม่อยู่วัด รักษาศีลปฏิบัติเองตามสติกำลังทำได้ไหมครับบวชในชีวิตการ ง, งานประจำวันเจ้าค่ะได้แต่มันจะได้ไม่เต็มที่เหมือนกับรักษาตัวที่บ้านกับรักษาตัวที่โรงพยาบาลมันต่างกันถ้าอยากจะรักษาให้หายขาดนี่ต้องไปที่โรงพยาบาลเพราะโรงพยาบาลมีเครื่องไม้เครื่องมือมีอยู่มียามีหมอมีพยาบาลครบบริบูรณ์แต่รักษาที่บ้านนี่ก็รักษายาหมอตีไป ดีไม่ดีก็อาจจะตายได้อีกสสองข้อนะครับอคุณนัฐการนะครับเคยนั่งสมาธิแล้วจิตวิ่งขึ้นหัววนอยู่ในหัวสักพักก็หายแล้วจิตตื่นสองวันไม่หลับแต่มาตอนนั่งสมาธิแล้วทําไมจิตไม่สงบและดิ่งลงเหมือนเดิมเป็นเพราะสาเหตุอะไรคะตอนไม่มีสติก็คุมใจปล่อยให้จิตมันไปตามภาษาของมัน มันอยากจะขึ้นก็ขึ้นมันอยากจะลงก็ลงเยเราต้องใช้สติคอยกำกับใจมันถึงจะสงบจากคุณจินดานะครับคนเราใช้เงินซื้อบุญด้านไหนครับก็ได้ถ้าเราไปทำบุญไงเอาเงินที่เราจะไปซื้อกระเป๋านี่มาทำบุญแทนแทนที่จะได้กระเป๋าเราก็จะได้บุญบวชแล้วนะครับบวชล้วก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา